بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عقبة للمتقين و ل ع و ا ن ا إلّا ظ ا ل م ي ن و ص ل ي و ا س ل م على أشرف الأولين والأخرين نبينا م ح م د و على آله وصحبه ومن تبعهم بحسان فيهم الدين اللهم جعل أعمالنا كلها صالحة وجعل وجه الخالصة ولا تجعل ل أ ح د فيها شيئا يا رب العالمين อายาห้าสิบเจ็ดของโซร์ติอุนุสที่เราได้อธิบายไปแล้วอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มันจะเกี่ยวข้องกับอายะห้าสิบแปดตรงเลยเนื่องจากเนื้อหาของอายาที่ห้าสิบเจ็ดพูดถึงอัลกุรอานแล้วเนื้อหาของอายะห้าสิบแปดก็จะเกี่ยวกับอัลกุรอาน ก็จะขออนุญาตไปทบทวนเนื้อหาของอายะห์ห้าสิบเจ็ดอีกสกรอบห น, น, นึ่งสักนิดหนึ่งนิดหนึ่งนึงไม่ไม่ไม่เยอะไม่เยอะเดากลับไปทบทวนอนนู้นแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไปห้าสิบแปดจะเป็นเรื่องเลยเพราะมีหลายเรื่องในอายะห์ห้าห้าสิบเจ็ดนะฟังไปแล้วเนี่ยพ่อไปเตรียม ข้อมูลเกี่ยวกับอายะห้าสิบแปดเนี่ยก็ไเด้ บ, บางส่วนที่ควรเอามาเกี่ยวโยงเพื่อให้พี่น้องที่ เ, เรียนรู้ความหมายกุอุนอานของสองอายะนี้โดยเฉพาะริสูรัยูนุสโดยรวมเนี่ยว่ากลไกของผู้รู้ในการอธิบาย ข้อาอัลกุรอานเนี่ยมันยึดยึดในหลักการสำคัญที่มัมอับนุกะซีบอธิบายไว้ช่วงช่วงแรกในประุมว่าบทของ تفسير อัลกุรอานเราเ่ ت ف س ر อยอับนุกะซีดนี่ไม่ใช่ تفسير อับนุกะซีดนะ ทั f ซี r ของอิบนากีซีรไม่ใช่ชื่อหนังสือนี่ไ่าช่ทซ f s i นี่ชื่อหนังสือนี่ที่ท่านตั้งชื่อนี่ท afsir ุลกุรอานในละอีมเป็นชื่อง่ายๆนะครับทั f ซี r อธิบายความหมายุลกุรอานในละอีมกุรอานที่ยิ่งใหญ่อิมามอิบนากีซีร์ได้บอกว่าสิ่งที่จะอธิบายกุรอานดีที่สุดนี่คือกุรอานเองกุรอาน ได้เหตุผลหลายประการที่สาคัญเพราะอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้บอกว่าในกุร์านนั้นมีมีการอธิบายและอานวยความสะดวกให้ลึก like ah ว่าละก็ดีอัสร์ในคุร์านในจิกรีฟาฮลมิมมุดตะคริดดยแนนนละกดยแนนนอัสรนเราได้อานวยให้มันเป็นเรื่องที่ง่ายได้ ย่สารง่าย ا ินเนม่าลออสริยุสก็จำได้ไะสุาไหมฮะสุราคืออธิบยยสรน่เราทำให้อัลกุรอานน่ะง่ายได้ายไม่ลำบาอัลกุรอานนะทให้อัลกุรอานยังง่ายลิซิกริเรียนรู้ ดิกเรียนรู้ไอ an ja ้เนี้อลลอฮฺบอกว่าฟัสอยงนี้อลฮะดิกรีอิงกุนตุมละกาลามูนี่อข้อที่ไง่ายอัลฮิก์คือผูรู้ไม่ใช่หรือแสดงว่าดิกรนนี่คือความรู้เราได้ทํานัลกุรอานนั่นน่ะง่ายได้ในการเรียนรู้ง่ายได้ในการเรียนรู้ในการที่จะสะสมความรู้จากัลกุรอานมมุดดกิรมีไหมล่ะจะมีไหม คนที่อยากจะแสวงหาการดำลึกอยากจะแสวงหาความรู้ในอัลกุรอานต่ฮะลมินมุดเดกิมุดเดกิรมุดเดกินี่เดิมนี่มุดดกิมุดเด็กผู้าจกิกรมุดมุดกิหรือมุดเกินะก็ตัวกตวานการผสมกันกลายเป็นมุดกิเหมือน قد تبين الرشد من الغي من لايا قد دال قد تبين ميتني مي بالقلقلهنا مي جاء هو قد تبينه مي داينا آه مي بين ودي بقول جب ميشن كوري نهني مي بالقلقله مي صحيح نية قد تبينه هو هو طو دال وطو تا نية هو يقول متقربين م ر ج ه من ي ة ใกล كيعن ตัวดาลกับตาเนี่ยใกล้เคียงกันมันใกล้เคียงกันแบบนี้เนี่ยให้ผสมเป็นตัวเดียวเลยก็กลายเป็นตาไเลยนะตาบเดยะไม่มีดาละดาลเลยต้องเกินไปเลยตาใบเดยวนี่ก็เหมือนกันสาฮัลมิมุดดาคิดไม่มีแล้วนะเดิมเนี่ยซิกันมีตัวดาลไงหายไปเลยดากลายเป็นดาลอย่างเดียวเพวกมมุดดาคิดดาลกับดาลเนี่ยมันก็ใกล้เคียงนกลายเป็น มุดเด็กผ al al ู Quran, enfin wan ita wan ita, an, ้แสวงหาความรู้จากอะไรจากคัมภีรอัลกุรอานแสดงว่าอัลกุรอานจะเป็นพื้นที่แห่งการแสวงหาความรู้เที่ยงประโยชน์ใน h a ดี้มีเยอะนะที่ที่ยืนยันในเรื่องนี้แต่อายานี้ยืนยันว่า กุรานนี in ius, so an, ่สามารถทําให้เราได้แสวงหาความรู้โดยเฉพาะความรู้ที่มาจากอัลกุรานนี่นะที่นักศึกษจงบอกว่าจากที่บาธีจากที่บารีคุรานนี่แหละซึ่งคุรานนี้ถูกประทานลงมาเป็นภาษาอับเราก็จะต้องอาศัยภาษาอับเป็นหลักเป็นเป็นเป็นเครื่องมือสําคัญในการศึกษาอัลกุราน ถ้าเทคโนโลยีวัดหนังสีอเรก็ถ้นั้นก็ฮะดีสหรอฮะดีสมาทิบายอัลกุรอานแต่ได้พบว่าตัวบทฮะดีสเสียทิบาอัลกุรอานอายะน์ในกุรอานตรงๆนั้นน้อยมากน้อยมากจนกระทั่งอิมามอับดุลเบญน์ได้บอกว่าฮะดีสมั่ดูว่าละด้วยวิญญาณฮะดีสเคฮะดีสที่มันแสในงานอ่อนใช้ไม่ได้นะส่วนมากมีอยู่ในสามหมวด หมวดแรกนี่คือตัซีรหมวดที่สองนี่คืออัลมาซเรื่องสิริของท่านนบีจะมีฮด้ยเยอะมกันหมวดที่สามนี่กัสซกัฟซในเรื่องราวของบรรดานบียละรอซูนนี้แน่นอนยอะตัซีรนี่มีฮัจเยอะที่เป็นเป็นฮัจิดร้ายแม้ว่าจะเป็นฮัจิดอันเป็นคาพูดของท่านนบีเองหรือคาพูดของสหายนี่มีเหอกันะฮัจิสอง ของซาฮาบานี่ก ah ็เยอะเหมือนกันแต่จานวนมากก็เป็นร้อยเป็นเงนตักเสียกุรอานด้วยกุรอานตักเสียกุรอานด้วยหะดิษตักเสียอกุรอานด้วยคําพูดของอุลามาอุลามานี่ก็มีหลายระดับระดับแรกนี่ก็คือสัลฟระดับมากก็ถัดไปโดยเฉพาะอุลามาที่เชี่ยวชาญด้านตักซียก็จะให้น้ําหนักมากกว่าเช่นอุลามา นิติศาสต์อย่างเงี้ยพอเขาจะมาอธิบายตัดเี้อย่างเงี้ยน้ำหนักในการอธิบายของเขาเนี่ยไม่เท่ากับน้ำหนักของอุลมาที่ได้อธิบายเป็นนักอ ธ, ธ, ธิบายกุอาโดยตรงเป็นนักตัดซี้โดยตรงก็จะก็จะไม่เท่ากันมีตอนนี้เนี่ยช่วงเนี้ยจะมีคนชอบอ้างคําพูดของเชฟอัลบานีที่จะบอกว่า เราต้องยึดมั่นกิตาบุลลอฮ์และสุนนะมีแฟมีเซลและฝิลอุ่มมะด้วยความเข้าใจของサラฟเข้าใจกิจาบุลลอฮ์และสุนเนี่ยด้วยความเข้าใจของサラฟซึ่งความเข้าใจของサラฟเหนือจังหวาการอธิบายของサラฟเนนืยรวมถึงเรื่องกุลร้อนด้วยนะเดี๋ยวเราจะเข้าใจที่ที่ผมอธิบายตรงนี้มันจะมีประโยชน์กับเราไหมฮะ50เปน การเข้าใจกุตตานด้วยความเข้าใจของซาลับเนี่นยแน่นอนมีความประสเสริฐและควรที่จะนํามาเป็นอันดับแรกๆของความเข้าใจอันคุตตานที่มีน้ําหนักมากกว่าในกรณีที่ชาวซาลับนี่ซาวซาลับนี่ก็คือบรรพชนยุคแรกสามศตวรรษแรกยุคซูฮับะทับยินและกับทับยินทับินี่ซาลับนะใครที่ไปก่อนนั่นี้นะ การอธิบายของซาลฟ์เนี่ยจะมีน้ำหนักแน่นอนเหนือกว่าความเข้าใจของคนอื่นแน่นอนถ้าเป็นเอกฉันถ้าเป็นมติเป็นอิชมาสห่าวทั้งหมดเข้าใจแบบนั้นซาลฟ์ทั้งหมดยุคตะวันออทั้งหมดเข้าใจแบบนั้นชี้ขาดด้วยความหมายนี่มันเป็นแบบนั้นแน่นอนแน่นอนจะจ ะ, จะเอาจะเอาคำพูดคาอธิบายของคนอื่นนี่มาหักล้างเอกฉัน ความเห็นพ้องของชาวซลทั้งหมดนี้มันไม่ได้อย่างขนาดที่อุณามาบางท่านเี่บอกว่าอิจม่าของซาลต์นี่เอกฉันของซาลต์นี่นะเป็นอิจม่าก็ต่อยเป็นเอกฉันเป็นการเป็นมติที่มีความเด็ดขาดไม่เหมือนอิจม่าไม่เหมือนเอกฉันหรือมติของอุณามาในยุคอื่นๆไม่ค่อยไม่ค่อยขาดนะ บางทีจะมีอยู่ดีก็มีเอ๊ะมีความขัดแย้งนิดนึงมันไม่ใช่ตกลงสแสดงว่าไม่ใช่มติมันไม่ใช่เอกฉันแต่ว่ามติเอกฉันนี่หมายถึงว่ไม่มีใครคัดค้านแม้แต่คนเดียวมีไหมที่สารับนี่เขาเอกฉันในเนื้อหาความหมายกุรอานมี่แต่น้อยมา ก, น, กนับเนี่ยนิ้วสองมือนี่อาจจะไม่ ดังนั้นจะบอกาเข้าใจกุตัานด้วยความเข้าใจของซาลับถ้าหมายทิ้งว่าอิจม่าเอกันของซาลับนี่อนะนี้แนะ่นอนแต่มันจะมีประโยชน์อะไรล่ะถ้าหากว่ามันน้อยขนาดนี้เนี่ยจะมาเข้าใจคุตั้นทั้งเล่มเข้าใจฮะดีสทั้งหลายหมื่นบทเนี่ยด้วยความเข้าใจของซาลับนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์เพรามันไม่มีเอาแล้วก็เธอซาลับนี่ยเขา ข, าขี้เากันนี้แหละ ถ้าซาลาฟเขาคิดแลบกันนะนะความก็ยังซาลาฟเนี่ยมัลลุสฮะาบะเขาขัดแย้งกันในความหมายของอัลกุรอานเช่นนี่อ ah ายาห้าสิบแปดสฮะบะขัดแย้งกันถ้าขัดแย้งกันมันเป็นการอนุญาตโดยปริยายนะให้คนอื่นขัดแย้งกันได้เพราะเนื้อหากว่าเป็นเนื้อหาที่สฮาบะนี่เขาเขาวิเคราะห์มันไม่มีตัวบทเดยจะดู นักมุฟัสีนี่เขาพูดเลยบอกว่าอที่ซาฮาบะพูดเนี่ยแล้วเขาขัดแย้งกันเนี่ยถ้าไม่มีอะไรอ้างถึงนบีนะ่ะ ก, ก็เป็นทัศนะและข้าพเจ้าเนี่นักมุฟสีคนนะนั้นข้าพเจ้านี่ไม่เห็นด้ว ย, ยระดับอุฟสีระดับใหญ่โตน ะ, สะแสดงว่าการคัดค้านความเห็นของซาลาบเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่ตาําหนิเสมอไป โดยเฉพาะถ้ายืนยันได้ว่าเป็นความเข้าใจที่มีความขัดแย้งอยู่แล้วเพราะเดี๋ยนี้มันเป็นมันเป็นคนที่เหมือนก่อตั้งแต่งตั้งตัวเองเหมือนเป็นองค์กรอิสระอย่างองค์กรอิสระนี่รู้มั้แต่งตั้งเองแต่งตั้งเองประมาณเนี้ยเป็นองค์กรอิสระเฮ้ยอันนี้ อันนี้ไม่ไม่ไม่ไม่ต้องกัสสลักต้องไหนยังไม่ต้องกัสสลักก็เช็เช็บิมบาสไม่ได้พูแบบนั้นเช็กแอลบานียใครบอกว่าใครบอกว่าเช็กบิมบาสหรือเช็กแอลเบเนีเนี่ยเป็นตัวแทนของซาลหรือเป็นอิจมาของซาลักไม่ใช่เป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนอย่างมหันเลยอะและเป็นการกล่าวร้ายใส่ร้ายบรรดาผู้รู้ว่าเขานี่ไม่เอาซาลักเพียงว่าเขาไม่เห็นด้วย กับอุลมาที่มีชื่อเสียงในยุคปัจจุบันบางท่านนะมันก็ไม่ใช่ไงเอาแล้วเราต้องทำยังไงเราต้องศึกษาเราต้องละเอียดทีท่วนแม้กระทั่งอิ يم, บนุไเนีอังอิบนุไควยมบรรดาอุลามะที่เขอยึดมัน่นในแนวทางของสลัฟนี่นะโ อ, โ, อโอ้การที่เขามีความเห็นไม่เห็นด้วยกับทัศนาของสลับหลายเรื่องนะครับนับไม่ถ้วนเลย โดยเฉพาอนาพินดูไทเมียถึง ข, ขั้นที่อินดูไทรเมียเนี่ยเคยติดคุกอินดูดิและไม่ได้ติดคุกจากจากคนที่เรียกว่ายึดมั่นในมัลนะสลับในแนวสลับทำไมติดคุกนี่จากบรรดาที่ยึดมั่นในมัจฮับทําไม อ, อ่ะเพราะอิหม่ามอินดูไทรเมียนีย่เขาอ้างว่าอิหม่ามอินดูมียเปขัดอิจมา่าอิกระชันของสลับนี่ว่ายาสามนี่คืออยาขาด แล้วกว่าข้าข้าพเจ้าอยาเธอสามสามคำว่าสามนะไม่ใช่ไม่ใช่ยาเธออยาเธออย่างใช้คําว่าสามข้าพเจ้าอยาเธอสามใช้คําว่าสามอย่างเงี้ยอันนี้ขาดเลยขาดนี่หมายถึงว่าจะกลับมาคืนดีกันไม่ได้แล้วแต่ภรรยาต้องต้องรอเอ็ดดาแล้วก็ไปแต่งงานกับคนอื่นแล้วกัคนอื่นอียาแต่ก็รอให้พ้นจากเอ็ดดาคนนั้นถึงจะถ้ามาสมัครใจมาแต่งงานกันอีกรอบหนึ่งถึงจะได้ เอ็มเจย์บอกว่าไม่เห็นด้วยทําไมอ่ะเพราะมันเป็นแค่ทัศนะของสี่มัสยับโอ้สี่มัสยับนี่เอกชนนะยุคนั้นนะใครไม่เอาด้วยกับสี่มัสย์เยาว์ว่าสี่มัสยับน่ะมัสยับเดียวถ้าไม่เอาด้วยในบ้านเราเนี่ไม่เอาด้วยกับมัสยับชาฟีอย่างเงี้ยก็เป็นคดีแล้วที่ไม่เอาทั้งสี่มัสยับเลยเพราะอิหม่ามอ็มเทมิเอ้นนี่แอบบอว่าอ๋อคดีโซบตนี่มันขัดกับทัศนะของ ทั้งสีมัชชับซึ่งอุลามายุคนั้นน่ะเขาถือว่ามันอิจมาเอกฉันแล้วยาสามเนี่ยถือว่าขาดนี่เป็นเอกฉันแล้วติดคุกไปรอบหนึ่งแล้วไม่รู้กี่เดือนเรื่องนี้ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยอุลามาส่วนมากทั้งสีมัชชับนะเดี๋ยวนี้ยใช้ทัศนะของอิมไตเมียร์นี่แหละมีใครลอยาสามนี่ ขาดเลยนะไม่ค่อยมีไม่ค่อ ย, ยมีใครสักตวัวแบบนี้แล้วน้อยนอกจากคนที่ตะดซุบมากกับคนที่คนที่ยังอยู่ในกระลามั่อถาบอย่างเดียวทําไมอะ่ะเพราะคนในเวลาเขาเวลาเขายาเนี่ยแน่นอนไม่มีใครไม่มีใครยาแบบมีสมาธิเพราะส่วนมากคนที่มาถามว่าเชฟผมยาแต่ตอนนั้นเน่ยโมโหมันก็ต้องโมโหสิคนคนยานี่ยแบบคนยาแบบกําลังกินกาแฟเงี้ย ชิวๆแล้วกยาเมียไม่มีหรอส่วนมากก็ทำทะเละกันท่ากันท่ากันจะยาแล้วก็อย่าที่ี้ตรงทนี้ก็ยาอยายาล้านครั้งไปเลยล้านไปเลยนะเขามีให้สามอย่างเดียวเลยยาล้านไปเลยบางคนเนี่ยบอกว่ายาคือโกรธแล้วไม่เอาแล้วก็ไม่เอายาอยาล้านครั้งยาในทุกมัศในทุกศาสนาในตัวนึงคือจะได้ไม่มีทางกลับ ห น, นึ่งชั่วโมงเนี่ยร้องไห้แล้วอยากจะคืนดีละไอ้ที่ตอนยาเนี่ยเวลามาก็บอกว่าโมโหนี่ก็โมโหแต่ไม่ไม่นับคือต้องนับว่าเป็นตลาลแต่นับครั้งเดียวเพ ร, ะราะพุทธานี่บอกว่าอัตตะกูมะรเจานคือคือคําว่ามะร้อนนี่คือครั้งคําว่าครั้งเนี่ยมันต้องเกิดเป็นครั้งครั้งนึกออกป่ะแต่อยาอยาสามอ่ะข้าพเจ้าอยาเธอสามอย่างเนี้มันครัง้งหนมันก็ครั้งอย่างครั้งเจ้าอยู่ดี มั Finanz, นต้องเป็นค้างครังไปเนี่ยทัศนะของอิเนตัเมียนั่นแหะติดคุกเลยท่านเขียนหนังสือเล่มหนึ่งฟาตวานะมีคนมามามาขอฟาตัวแกก็ตอบตอบนี่เป็นเล่มนี่เป็นหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยนหนังสือเล่มเนี้ยทําให้ติดคุกเพราะอุลามะท่านสีมัสนับในยุคนั้นนาว่าเอิบเนเมียนี่คัดค้านมันสับคัดค้านอิจมะซึ่งมันมันอิจมะมันไม่มันไม่แน่นอนมีมีที่แคล้ไม่มี อับบาสเซนมุสลิมเนี่ยบอกว่าในยุคอูบักหรือยุคหรืช่วงหนึ่งของยุคอัอมารเนี่ยถือว่ายาสามนี่เป็นหนึง่งนี่แสดงว่าสมัยสออับะาสาในช่วงแรกๆนี่นะช่วงแรกๆเนี่ยเขาเขาเขาเห็นเหมือนอิมไทร์เนี่ยทางนู้นเขาก็บอกว่าใช่ช่วงแรกแต่ช่วงหลังนี่มันมีอิสมาอ์ที่หักล้างทัศนะแรกๆแล้วจึงไม่ถูกนํามาใช้ก็ไม่จริงเหมือนกัน ยุคหลังๆนี่ก็มีอุลามาในรุนสลับนี่ก็มีความเห็นแบบนี้เหมือนกันยาศยาสามนี่ก็ถือว่าหนึ่งการังจะบอกกับพี่น้องว่าความสํานึกสามันสํานึกของมุสลิมทุกคนนี่นะรักให้เคารพนับถือสลับอย่างแน่นอนแต่การที่จะยึดปฏิบัติตามสลับเนี่ยมันต้องไปด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่ด้วยข้ออ้างหรือด้วยความกดดันในการใส่ ใส <mem> ่ข้อคอร่าว่าอันนี้ไม่เอาระระอันนี้ไม่เอานายทำสละเพียงว่าทําไมอ่ะเพราะเช็กบิมบาช็กเอลบานีเนี่ยเขาพูดอย่างนี้ฉานไม่ไม่ไม่เห็นด้วยเหมือนเขาถ้าใครบอกเราพวกนี้ถือว่าเป็นสาระไม่ใช่เป็นคาระบ่ะสาระนี้ก็คือยุคนู้นข่ระบุนี้พวกรุ่นหลังนี่มาแต่งรุ่นเราถือเป็นขัระบปัจจุบันไม่มีอ่ะสาระไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีมีคนที่ปฏิบัติตามสาระ คนที่ปฏิบัติตามสลับเนี่ยนะเขาจะกันคนที่อ้างถึงสลัเนี่ยเรียกว่าสลัฟฟี่สลัฟฟี่มายถงว่าอ้างถึงสลัเนี่ยเอานึกถึงสลับเวลาจะลมาอ่นกันนึกถึงสลับเวลาจะขัดเกลากันนึกถึงสลับเวลาจะยิ่งาดนก็นึกถึงสลทุกอย่างเอานึกถึงสลับไงไม่ใช่เรื่องอัลลอฮฺสถิตบนบัลลังก์อย่างเดียวมันถึงสลสลับที่มีเรื่องเยอะมากกว่าเรื่องอกันน และอ้างถึงสลับเนี่ยมันไม่ต้องเป็นฉายาถึงขนาดที่มามามาเปลี่ยนนามสกุลในบัตรประชาชนนะกลายเป็นสลัฟฟี่เปลีป่ยนนามสกุลมีน่าเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนนามสกุลตัวเองเนี่ยแล้วก็ภูมิใจด้วยว่านายทะเบียนที่เขตนี่ยเขายอมให้เปลี่ยนให้ภูมิใจนนเนี่ยมันขึ้นผมว่าเนี่ยเปลี่ยนแล้วนะเป็นสลัฟฟี่แล้วนะชื่อนายคนนี้สลัฟฟี่เป็นคนแรกในประเทศไทยมั้ง หารูไ้ไหมว่าจีตัวเองทาเนี่ยอาจจะเป็นบาปใหญ่นะใช่พราะนาสกุลของปู่ยาตายายเนี่ยถ้าเราทิ้งไปเนี่ยแล้วก็เอานามสกุลอื่นๆเนี่ยมาใช้ให้คนรู้จักนี่นะอันนี้ท่านนะบีห้ามโดยเด็ดขาดเลยเอาสุดสมัยตะกอนนู้นเน่ะเขามีไม่ใช่เหรออุลามาดกับซาลาวีเนี่มีแต่ซาลาวีเนี่ยจะเป็นจะเป็นฉายาสุดท้ายเลยหมายถึงว่า นามสกุลเดิมเนี่ยเขาต้องกล่าวนะแล้วก็สุดท้ายนึ่นเซลฟี่เนี่ยพูดถึงอุดมการณ์ของเขาเนี่ยเป็นเซลฟี่แต่ไม่มีใครนีกว่าจะตัดตัดนามสกุลตัดอะไรทุกอย่างเขาเนี่แล้วก็มาตั้งเซลฟี่เนี่ยเป็นนามสกุลหลักนี่ไม่มีใครทําเลยไม่มีใครทําเลยไม่ภูมิใจในนามสกุลแท้ๆของปู่ย่าตายายนามสกุลของพ่อนามสกุลของคุณปู่นามสกุลของตัวเองเนี่ยตัดไปจากบัตรประชาชนแล้วก็เอาคําว่าเซลฟี่ มันเป็นนามสกุลเพราะชื่อที่สองเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าเป็นนามสกุลเป็นที่รู้กันโดยประเพณีใช่ไหมประเพณีชื่อที่ชื่อแรกนี่คือชื่อเหล่านายชื่อที่สองคือนามสกุลมันไม่ใช่ฉายานะแต่แตในหลักการภาษาแม่นี่เรื่องอื่นที่ไม่ใช่นามสกุลเนี่ยเป็นฉายาทั้งนั้นนะอเช่นตะกอนนู้นะใครเกิดที่ไหนเขาก็จะใส่ฉายาแต่เกิดที่บางกอกอย่างเงี้ยบางกุกกี เกิดสามอินสามอินนี้อันนี้ฉายาไม่ใช่น้ำสกุลอะไรนะลำแขกลำแค่พีอะไรเนี่ยแต่ไม่ใช่น้ำสกุลซาลาฟิก็ไม่ใช่น้ำสกุลฉายาอ้าวเรียนในมัลสับไหนนี่มัลสับานาบีอัลฮามบีเขาก็อ่านถึงมัลสับฮานบีก็เป็นฉายาเหมือนกัน ชายาไม่ชินำสกุลเราจะเป็นซาลาฟีเป็นคนที่ยึดมั่นในแนวซาลับเนี่ยไม่ใช่เรื่องแบบนี้แหละที่จะยืนกันกับตัวเองหรือยืนกับยืนกับพระเจ้าว่าเราอยู่ในทางซาลาฟีอาจจะมาเปลี่ยนนำสกุลเป็นซาลาฟีอย่างนี้ยก็จะกลายเป็นซาลาฟีแล้วรย์บอกว่าตั้งชื่อมัสยิดเนี่ยเป็นซุนนะเนี่ไม่ได้หมายถึงว่ามัสยิดนั้นนั้เป็นซุนนะมีเรื่องตลกให้รู้น่ะมีมัสยิดเนี่ยนะ ในกรุงเทพมหานาครเนี่ยมัสยิดก็อรชัยรอกรรมาการมัสยิดทั้งหมดเนี่ยนะกระแสสายเนี่ยนะสลวด่ดอัไรเรียบทุกอย่างเรียบร้อยแต่ชื่อมัสยิดเนี่ยเซร์เบียไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับชื่อมัสยิดไม่เกี่ยวกับชื่อไม่เกี่ยวเลยมันเกี่ยวมันเกี่ยวกับพฤติกรรมเกี่ยวกับเนื้อหาชีวิตของตัวเองที่มันฟ้องเนี่ย ท่านนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมด้บอกนะฮะฮิซย์มุสลิมอินน์ในีมุนาฟิกูนมีน่นะคุมสาวกนีมีมุนาฟิกถึงแม้ว่าเขาจะใช้ยาว่าเป็นสหาบะเพราะอะไรเพราะเขาทันนบีเห็นนบีคุยกับนบีอ้างว่าศรัทธาต่อนบีแต่ว่าให้ข้อมูลกับนบีว่าพวกพวกนี้มีอยู่สิบสองคนบางรายงานบอกว่าสิบสองคนเป็นมุนาฟิกซึ่งฮะีิซบดุลย์มุสลิมมีจะตอ๊บโต ศสของเชีที่เขาบอกว่าสฮาบานี่ตกสาสนาเป็นมุนาฟิกกันทั้งหมดนี่เป็นไมด้ชี์นี่อ้างฮะดีษนะดีษนี่นะนี่นีนดีบอกว่านี่นะสฮาบมีนฟกใช่ตนบีกำงว่าสิบสองคนแสดงว่าอื่นๆนี่ไม่ใช่มุนาฟิกเป็นะดีษต่เชี์นี่เอาะชี์มาอ้างไม่ได้แต่มันก็ให้เห็นนะครับว่าถึงแม้ว่าคนอยู่ในยุคของท่านนบีแล้วก็ได้ฉายาว่าเป็นสุฮาบแต่ณอัลลอฮ์นี่เขาเป็นมุนาฟิก การที่เราสวมหมวกใส่ตบอุสลามคุมมียาปิดหน้าก็ไม่ได้หมายไม่ได้หมายรวมว่าเขาอยู่ในแนวทางที่เคร่งครับแนวทางที่ถูกต้องแล้วที่เปะ๊เปะๆไม่จาเป็นเสมอเรื่องนี้เนี่ยผมอยากให้พวกเราเนี่ยได้ได้ตระหนักและเข้าใจให้ดีวิถีชีวิตของเราที่สำคัญที่สุดนี่อะไรที่ <c oughs> อะไรที่ยืนยันกับอัลลอ์สุบฮานวดาลว่าเราถูกต้องเนี่ยคือ ทุกภาคส่วนในชีวิตเรื่องความศรัทธาเรื่องมารยาเรื่องการต่อสู้ในหนทางอัลลอฮ์ต่อสู้เพื่ออิสลามเรื่องมารยาทกับเพื่อนบ้านมารยาทกับผู้คนมารยาทกับสัตว์มารยาทกับสิ่งเวดล้อมทั้งหมดเนี่ยมันฟ้องถึงความถูกต้องที่ชีวิตของเราเนี่ยจะอยู่ในบรรทัดฐานของความถูกต้องเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวแปรเป็นตัวชี้ตัวชี้ชี้วัดซึ่งความรู้ ที่ไม่มีความขัดแย้งเลยว่าเป็นแหล่งข้อมูลคนที่บอกว่ายึดมั่นในแนวสารัตคือ ต, ตัวตัวสารัตนี่ยเขาไม่มีความรู้นะตัวสารัตนี่ยังไงเขาก็ต้องอ้างอัลกุรอานอ้างฮะดิษนี่คือสองอย่างเท่านั้นนี่นี่นี่คือเนื้อหาหลักๆของความรู้แล้ะประกอบด้วยเนื้อหานี้เนี่ยมันจะบ่งชี้ถึงชตากรรม คนที่เรียนรู้แล้วปฏิบัติตามหรือไม่ตามนี่นะชะตากรรมมันอยู่ตรงนั้นนะเรียนรู้คุณอ่านเรียนรู้ฮาริสแล้ปฏิบัติเรียนรู้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอนี่ประเด็นหนึ่งเรียนรู้ไม่ถูกต้องปฏิบัติก็จะเพี้ยนไปหมดเรียนรู้ถูกต้องก็ไปดูอ่ะปฏิบัติเหมือนที่เรียนถูกต้องไหมปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนั่นแหะชะตากรรมสวรรค์หรือไม่สวรรค์นรกหรือไม่นรกนี่มันก็ขึ้นอยู่อยู่แค่นี้แหละเรื่องง่าย ส่วนความเข uh um, ้าใจของผู sh sh square, ran, oh ้ร oh ู้ของอุลามาเนี่ยมันก็เป็นตัวช่วยแต่ไม่ใช่ตัวชี้ชตากรรมคนหนึ่งไม่ใช่สลับไม่ใช่ตัวชี้ชะตากรรมว่าเขาจะไม่ใช่สาวเสวรสวทเขาจะไม่ถือว่าปฏิบัติตามกุรอ่านและฮานิสแต่เขาไม่ปฏิบัติตามสลับเพราะพะการปฏิบัติตามสลับนี่มันมันเป็นตัวชี้ว่าที่ยากในการที่จะอธิบาย ไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนไม่มีไม่มีอลมุลามะไม่มีอุลมามะสามารถบอกได้ว่าแล้วก็ความเข้าใจของสลับแนวทางขอสลับนี่มันคืออะไรบ้างบอกมาสิให้มันชัดเจนแล้วก็เอามาเอามารวบรวมแล้วก็แล้วก็ต้องเป็นความเห็นที่อุลมามะของอิสลามทั้งหมดนี้ได้เห็นด้วยนะไม่มีจนเป็นเรื่องที่ไม่ต้อง ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยในการหาความรู้แนวทางของซาลาฟนี่พอไปเรียนรู้ที่ไหนอะอ่ะโซนแนวทางซาลาฟนี่มีมีนักศึกษาคนหนึ่งเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งเขาก็เรียนเสร็จแล้วศสนาศิเสร็จแล้วนะศาสนาศิลป์นี่ก็ประมาณเรียนโมหกเสร็จแล้ววนะก็จะไปเรียนต่างประเทศเรียนศาสนาต่างประเทศแล้วถามอาจารย์ในโรงเรียนนั้นๆั่น่ะเอาไปเรียนที่ไหนดี เป็นอาหรับไมโอชัยรเป็นตุเรนอชัยรเรียนสิรโอชรเรียนอินเดียมาโอไม่ได้ปากิสตานบูบบู๊บอะไรเนี Man ่ยเรียนลุยเลยจักรวาลทำลือกเยอะไหมดเรียนที่ไหนอะโมร็อกโกนี่โอ้นเลยเรียนที่ไหนอะเรียนซาุดีเลยเป็นซาอุดีแสดงว่าทำไมซาอุดีแนวทางสลัสจิ อ่ะกองไว้กอไว้นะบ้านเราเนเนี่ยเนยประเทศไทยเนี่ยสยามแผ่นดินนี้เรียนกุฎอ่านได้ไหมถ้าจะหากุฎอ่านเนี่ยเจอไหมเจอหาซุนแนงเนี่ยหาไยบุคอรีอย่างเงี้ยเจอไหมฮะต้องไปมุตัยสภาหนึ่งไงบคอรีอยู่ไหนมุสลิมอยู่ไหนเจอ คุรานนี ok ่จะเรียนกุรานยังเจอเรียนหะดิษนี่ก็เจอจะไปเรียนกุรานฮะดีษอินเดียปากีอินโดมอร์คโคทุกที่เลยนะมีกุรานและฮะดิษโดยที่ไม่มีใครจะมาตั้งเงื่อนไขว่าจะเรียนกุรานและฮะดีษต้องแนวสลับเนี่ยต้องจากอุลามะคนนี้เนี่ยอุลามะคนนี้คุณนูไม่ได้คนนี้ไม่มีกุรานและฮะดีษเนี่ยมันเป็นมรดกสําหรับประชาชนอิสลามทุกพื้นที่และทุกคนทุกยุคทุกสมัยและจะมีเงื่อนไขเนี่ย มันจะเป็นเงื่อนไขที่โมฆะเพราะมันเป็นการตั้งกรอบสร้างกรอบเงื่อนไขให้คุรานเนี่ยยากลําบากในการเข้าถึงซึ่งขัดกับคุรานที่บอกว่าแล้วก็ย่าเสร์ฟในุรานใลิซิกริฟฮันมิมุติกสุดท้ายนี่ยก็ต้องกลับไปสู่คุรานเคยอธิบายแล้วเวลาพูดถึงคุรานก็หมายถึงว่าฮะดีสเนะแต่นีไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมามีใครมามาแอบเข้าใจ เขาคุณอ่านอีกเดียวไม่มีนสุดนะเลยอ่เช็คนี่ไม่เอาสุดนะเอาไอ้วิที์เขาเรียกวิทีวิทีใช้เซ็นเซอร์ในการในการสัมผัสทัศน์อะไรห้มามีผู้รู้คนหนึ่งเขาเขาพูดผิดผิดพลาดคําพูดผิดพลาดไปนิดหนึ่งเขาบอกข้าพเจ้าผู้รู้คนนี้เขาบอกข้าพเจ้าอะตู้บุข้าพเจ้า อตูโบนีน่มันเป็นมันเป็นพรีเซนต์เป็นเป็นกริยาปัจจุบันนะ่ะกิริยาปัจจุบันข้าพเจา้าเตาบัดตั ว, ตวไอ้ผู้รู้ที่ใช้ซินเซอร์นะบอกว่านั่นแหละเตาบัดตั ว, ตวปัจจุบันหรืออนาคตแต่อดีตยังไม่เตบาบัดใช่ไหมคนถ้ามีคนมาคอยคอยตรวจสอบแบบนี้่นะ ล่าสุดนี้ก็มีมีพี่น้องทักมาบอกว่าเวลาเช็คเนี่ยโพสอะไรนะแล้วกดไลค์นะจะมีกลุ่มหนึง่งจะมีกลุ่มหนึ่งที่ที่ที่เออบบที่มีมีอาการแบบแพ้หน่อยนะ <S <S 1> <S 1> เขาจะไปไล่ล่าคนที่กดไลค์ไปกดไลค์ของอีกทำไมอะไปกดไลค์ทำไม แล้วเดี๋ยวนี้คุกคามแบบน่ากลัวมากเลยนะเวลาผมพูดอะไรเนี่ยนะใครกดไลค์ใครชื่นชมอะไรอ่ะนะ้ไปไปไล่ล่าแต่ทําไมไม่รู้ล่ะว่าไอ้วกนี้ไม่เอาชิ่นบิมบ้างไม่เอาเนะีแล้วก็ข้อหาหนี่มาเพืพ่อพี้ผมนี่พยายามที่จะให้สังคมของเรานี่เข้าถึงหลักการศาสนาแบบง่ายๆแค่นั้นแหละผมไม่อยากให้มุสลิมในประเทศไทยเนี่ย กลายเป็นศาสนาคริสต์อีกศาสนาหนึ่งจะอ่านคัมภีร์จะเข้าใจคัมภีร์จะอะไรเนี่ยก็ต้องผ่านนักบวชบาดหลวงที่จะเอง็งจะอย่าบังอาจนะจะมาอ่านเอง็งเข้าใจเอง็งจะมาอะไรเอง็งจะไม่ได้นะต้องผ่านแล้วก็ต้องผ่านกลุ่มนี้ด้วยต้องผ่านความรู้ของคนนี้ด้วยเห็นธอแบบนี้เนี่ยกูอ่านที่อลัลลอ ให้มายัางมนุษยชาตินี่ไม่เป็นจริงแล้ ว, วอัลลอฮ์ไม่ได้ให้คุตัานนี่ทุกคนเลยนะอัลลอฮ์ให้กุตัานเฉพาะบางคนเท่านั้นนะ่ะแล้วคนอื่นเนจะเอากุตอ้นนี่ก็ต้องผ่านคนโน้นผ่านคนนี้มันใช่หรือใช่อิสลามใช้กุตัานเที่ยงเราจะให้พวกเราได้เรียนรู้หรือเป็นจะไม่ได้เพราะฉะนั้นพอมาอ่านอายะนี้นะนะอัลลอฮ์บอกว่ากุตัานนี่เป็นมโนยโสเป็นข้อเตือนข้อเตือนเราไม่ต้อง ไม่ต้องมาผ่านอะไรเยอะแยะเยอะแยะเงินไขมากมายในการที่จะเข้าใจกุณอ่านอย่างที่บอกกับพี่น้องเนี่ยเข้าใจกุณอ่านเนี่ยพื้นพื้นนะนะทุกคนเนี่ยที่เข้าใจภาษาง่ายๆหรือคำอธิบายในภาษาที่ถูกถ่ายทอดภาษาอื่นๆเนี่ยนะเข้าใจได้ทำไมก็เนบีทาแบบนี้ไงอาหรับที่มีความอหรับชนบทอ่ะอมุฮัมมัด เจ้าเป็นไทยอ่ะเป็นศาสนาพุมาเยอแล้วแล้ว ก, แวก็แล้วก็พระเจ้านี่บอกอะไรมาน บ, บีกะอ่านกุศอ่านอ่านกุศานั้นมทึ่งเลยรับอิสลามน บ, บีไม่ได้บอกว่าดิดดด๊ดิ๊ด้องมาเรียนหนาหูก่อนนะต้องมาเรียนนุศุลฟิกตรรุนมาจถึงจะต้องเข้าใจต้องเข้าหลักสูตรรับอิสลามใหม่ ก, ก่อนนะไม่ไม่งั้นเดี๋ดีมาเป็นมุสลิมไม่ได้นะพอเข้าเข้าแล้วเนี่ยก็ต้องชุกช่วงนึงให้ตรวจสอบก่อนด้วยไม่ เข้าใจเลยเข้าใจง่ายๆนี่พื้นพื้นพื้นนะ น, นะถ้าอยากใจลึกซึ้งน่ะที่หลังก็ได้แต่ไอันี้พื้นพื้นเ น, น, นี่ยนะได้ทุกทุกคนทุกคนคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมสมัยนบีเนี่ยผ่านเห็นนบีในละหมาดนี่อ่านอ่านเนี่ยก็นั่งฟังนั่งฟังจนนบีจบจบแล้วมารับอิสลามอะแสดงว่าแสดงว่าความหมายเนืหาง่ายๆกว้างๆที่มันซาบซึ้งกับเขาอะนะเพียงพอ และนาบิ ว, ว่าอิสลมามขเขาเนี่ถูกต้องนาบิไม่ได้บอกว่าอิสลมามขเขาเนี่มันเป็นความรู้ที่มันมันยังไม่หนักแน่นมันยังไม่เข้าถึงยังไม่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไว้ก่อนนะมันถูกต้องแล้วจะมาเพิ่มเพิ่มที่หลังเนี่ยจะมาหนักแน่นจะมาลึกซึ้งอาจะที่หลังก็ค่อยๆแต่พื้นๆนนี่นะทุกคนเปิดกว้างให้ทุกคนเนี่ยสามารถสามารถเข้าใจกุอนศ้ง่ายเปิดความหมายกุฎางภาษาไทยเข้าใจได้ และทราบซึ่งแล้วเนี่ยรับอิสลามอิสลามถูกต้องเราจะไม่บอกว่าโอ้โหนี่ไม่ดิพันธความเข้าใจคือลึกซึ้งโดยภาษาอับดับดังนั้นอิสลามมันไม่หนักแน่นไม่ไม่ไม่ซ้อไม่ซึ้งไม่ใครสามารถพูดได้แบบนี้แต่การที่จะมาตรวจสอบคนอื่นว่าเขาจะต้องศรัทธาแบบไหนยังไงโดยโดยที่ไม่ได้ไม่ให้อัลกุรอานและฮะดีสเนี่ยเป็นตัวชี้วัดแน่นอนอันนั้นอันตรายทําให้คนเนี่ย ในที่สุดนี่นะครับคุณค่าของกุฎอ่านและหาีิสุนทานในวิสุลลลลเลสเลนก็ๆๆจะไม่มีความสำคัญข้ขอกุฎอ่านเป็นข้อเตือนกุฎ อ, อ่านเนี่เป็นยาบำบัดกุฎ อ, อ่านเนี่เป็นทางนํากุฎ อ, อ่านเนี่เป็นรหำมะนี่ทั้งหมดนี่พูดถึงกุฎอ่านนไม่ได้พูดถึงความเข้าใจของคนที่มาอธิบายกุฎ อ, อ่านนะ ไม่ได้อัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าอ๋อนี่ต้องต้องไปไปศึกษากับชชคบิมบอร์กับเชคแอลบานีกับเชคดิโดเราจะได้ข้อเตือนจากดอันนั้นไม่ใช่เลยแต่ถ้าเราไม่ได้เรียนกับผมหรือไม่ได้ไม่ได้รู้จักเชคิมบอร์ไม่รู้จักเชคิมบอร์ไม่รู้จักกุลามาในยุคปัจจุบันเลยคนในป่าในเกาะอินโดเนี่ยมีคนไปเจอบอกว่านี่มีพระเจ้านะที่สร้างสิ่งสวยงามนี่คือพระเจ้านะจริงเหรอเออแล้วพระเจ้านี่ส่งน บ, บีเนี่ยให้มี ให้มีรอสูลนี่มาสอนพวกเราเนศาสนาตนเออศาสนานีเข้าท่านะยังไงจะเข้าศาสนานี่เ้าไดลอลลอฮมุฮัมมัดุรอสูลเ้าลอ์มุฮัมมัดุรอูลลนี่ปาชาลามนี่กระโดดมาอมงัตายตายไม่รู้จกบิมบากไม่รู้จักอลบานีไม่รู้จักเกริไม่รู้จักอะไไม่รู้จักกเนี่ยตายเนี่ยนรก ใครกล้าล่ะใครบังอาจที่จะบอกว่าอิสลามแบบนี้เนี่ยอิสลามไม่ถูกต้องแต่ผู้แบบนี้ในสาระกาลังบิดเบือนอิสลามสักทนคนแบบนี้เนี่ยที่อาจจะเขา้าจอเขา้าเข้าสวรรค์โดยตรงเนี่ยไม่ต้องแวะไปไหนเลยเพราะแบบใส่ใส่อะ <c oughs> เข้าใจอิสลามแบบใส่ใส่เข้าจะแบบสฮาบบะเนี่ยเข้าอิสลามใส่ใสและนี่แหละคือสิ่งที่ สิ่งที่น่าภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์ทุกคนถ้าได้ถ้าได้ความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ได้ความเมตตาจากอัลลอฮ์ได้รับอิสลามแล้วและและการรับอิสลามเนี่ยเป็นแนวทางที่ทำให้เขาเข้าสวรรค์นนะนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผู้คน فعشنا أيها ا ل ص ن ي ا ل ل ه بقول بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعه. أو محمد نقلات بقام برطبران م الله لبقيام ت ا م برهم بفضل الله وبرفض الله قام برطبران الله ورحمته قام ت ا م برهم فبذلك ดังกล่าวนั้นฟห ล, ลยปฟระหูพวกเขาจงดีใจเถิดภูมิใจเถิดให้มีความดีใจมีความปลื้มปิติโดยความโปรดปรานจากอะและความเมตตาจากพระองค์ของพระองค์หัวอยรุ ม, มินมายัจุมาวุลซึ่งมันดียิ่งกว่าสิ่งที่พวกเขาสะสมไว้ ความโปรโดปรานของ a l นะความเมตตาของล l l a นี่นะหน้าภูมิจะยิ่งกว่าสิ่งที่เข้าสะสมสิ่งที่เข้าสะสมนี่ก็คือดุนยาสะสมอะไรอะ่สะสตังสแตมมีใช่ไหสะสมสแตมสะสมรถสะสมบ้านสะสมยศ ส, สะม ส, ส, สมนั่นแหละเขาจะภูมิใจแันในเรื่องนีน้คือสะสมเงียบๆใช้ๆเนี่ยไม่น่าภูมิใจไงมันจึงต้องมีชุดชุดสะสมถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยจะรู้ยังไงว่าเองเป็น น, าานักสะสมเนี่ยมันมีแบรนด์ไงทุกอย่างนี่เป็นแบรนด์มูฟ ก, ก็เป็นแบรนด์แว่นก็เป็นแบรนด์ปาก้าก็เป็นแบรนด์ เสื้อก็เป็นแบรนด์เสื้อกล้ามก็เป็น brand, แบรนด์กางเกงในก็เป็นแบรนด์ทุกอย่างรองเท้าทุกอย่างนี่เป็นแบรนด์หมดถ้าบางอาจไปใส่อะไรที่ไม่เป็นแบรนด์นะนะเจ้าก็จะเป็นคนเชยที่สุดไปปรากฏตัวที่ไหนเนี่ยก็จะเชยที่สุดเพราะใส่สิ่ง พอดีนักสะสมไงไม่ทันเขาเหระตอนนี้เนี่ยเสื้อตอนนี้เสื้อมันไม่มีกระดุมยังไงเราใส่เสื้อมีกระดุมเนียนเดือนนี้ไม่มีกระดุมแล้ะตกข้าววะตกข้าวใช่ไหมนักสะสมถ้าไปกับชุดคนที่ซื้อรถแบบรู้ๆนะ โบเช่พีเอ็มเบนคัติลักถ้าถ้าอ่านผิดก็ไปด้วยเมอร์เซเดสเบนอะไรพวกนี้นะแล้วก็เราเอาอะไรเราเอาเอาโตโยต้ารุ่นรุ่นสองพันหนึ่งเงี้ยมาขับโอ้โเฉยที่สุดนี่เร็นรงสะสม ในบัญชี lee, สส żenie, นี่สะสมเงินน้อยเท่าไรน่ที่เขาไปอวยนั่นนะบัญชีท่านมีเท่านู้นเท่านู้นเท่านี้เท่านี้นี่คือยาจุมาอนที่เขาสะสมอมรรมนขต้อมีนั่งอยู่ก <lonely ninja> ับรัฐมนตรีพาณิชย์ก็มีคาราชมีภาษีผลผลิตที่ส่งไปใบตุ้มาลเนี่ยไปส่งให้ท่านออมรรมนขตอมันขลิฟัดโเป็นเงินเป็นทองเป็นอะไรัจ ว่าตอนที่พานิตนี่ยก็บอกกับอัมร์มุขสาวว่าฮดมินี่แหละคือความโปรดปรานของ Allah และความเมตตาของพระองค์เกระดับเขาบอก็ไม่ใช่เลยนี่นี่โกหกนี่ไม่ใช่เพราะอะไรเหรอเพราะมันสวนกับกุตัานอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่เขาสะสมต่าากแต่ไม่แม้เม้านี่ที่เขาสะสมต่างหากแต่ความโปรดปราน ความเมตตาเลี่ยไม่ใช่เรื่งนี้แล้วอะไรล่ะความโปรดปรานและความเมตตาของลอร์นี่มีอะไรเรื่อนี้นะสหายนี่มีความเห็นที่แตกต่างกันบ้างสหาบยบางท่านนี่บอกว่าฝั่งลุลัยความโปรดปรานของลอร์นี่คือกุรานแล้วก็อัลฮัมมัตุฮุความเมตตาคืออะไระคือการรับอิสลามบางท่านนั้ตรงกันข้ามเลยบอกว่า فضل ุลลอ ฮ, ฮ ر ر ีคือุราน ف ض d ุลลอฮ์ความบรบรงของลนีคือุรานละตุของเเมตตาของล์นี่ก็คือก็คืออิสลามตรงกันข้ามทัศนะตรงกันข้ามไม่เหมือนกันซึ่งทัศนนแที่บอกว่า ف ลลอฮคือกุรานและกระ ر ตุการดรับอิสลามอกทศนนเขอาบูดลุคดรีบอกว่า ل ุนี่คือ การที่เราได้รับอิสลามแล้วก็ราะหมะดุคือคุรานนี่ของอบดุสซาดอัลคดุรีสองคนเป็นสัฮาบัตแต่อธิบายไม่เหมือนกันแม่ตีสลับนะสัฮาบันี่เป็นสลับแน่นอนแต่อธิบายกุรานไม่เหมือนกันมีนักตัดสิรคนหนึ่งชื่ออิบดุอาติยาหนังสือของเขานี่อัลทัพ์ริรุลวะจิสเป็นหนังสืออธิบายกุรานที่มีชื่อเสียงและ ในวงการของนักตัดสินเนี่ยเขาก็จะให้เกียรติเพราะจะอธิบายละเอียดเขาบอกว่าทศนราเหล่านี้ทั้งหมดเลยเนี่ยที่บอกว่าความโปรดปรานของ Allah เป็นคุตอานหรือเป็นการรับอิสลามเรอหามาดูความไม่ได้ของ Allah นี่คือกุตอานหรือเป็นการรับอิสลามบางทศนราบอกว่าฟ้าขอล a l l a นี่คือกุตอานความโปรดปรานของ Allah นี่คือกุตอานเราหามาดูความไม่ไดคือการที่ Allah ให้เรานี่เป็นชาวกุตอาน เอ็มดาวตี้บอกว่นนานี่ทศนา this ทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่มีตัวบทจากท่านนาบีนะก็จะเป็นความเห็นเป็นความเห็นที่เราให้เกียรตินะแต่ไม่จําเป็นต้องต้องยึดปฏิบัติตามนี้ข้ามาเจ้าเห็นด้วยเห็นว่าอันนี้เขาแยากเลยนะเขามีความเห็นที่ไม่เหมือน อ, บอบนัอบบาสไม่เหมือนมูจาฮิตไม่เหมือนอบับบาฮากัชาวตะละทั้งนั้นนลยนะที่มาธิบายอายะเนี่ยเอ็มดาวตี้บอกว่าข้ามาเจ้าเห็นว่า ฟ้าดลุลลนี่คือทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์ให้และเป็นการดีทุกสิ่ ง, งที่อัลลอฮ์ให้และเป็นการดีที่จะให้เราเนี่ยรับความโปรดปรานของเราในวันเกียาติมัคือวสวรรค์เราหามาดูความเมตตาของนัลล่นนี่ก็คือการที่อัลลอฮ์ให้ความเมตตากับเราจะได้เข้าวสวรรค์ สรุปแล้วอิบนาติยาบอกว่าฟ ضل ุลลอฮิวะราะห์มัดุฮุคุซินดีอัลลอฮัยมาเนี่ยจะได้เราได้ที่สุดบั้นปลายนี่ก็คือรอดรอดรับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์รับความเมตตาและรอดไม่ใช่รอดในโลกนี้นะรอดในโลกหน้าซึ่งทัศนะนี้เนี่ยมันสอดคล้องกับฮาริสบทหนึ่งบันทึกด้วยอิหมัมบุคฮาริเลมุสลิม แต่สำนวนของอบคารีได้บอกว่าอีมันถึงโดยอบุคารีเลมุสลิมเร่งานโดยท่านอุรรอห์อุร์บอกว่าท่านนบีลลัลลอฮุอะลัยฮิสซลลัมบอกว่าไม่ได้เข้าไมด้อะห์ดันจันนต์งานลุไม่ได้เข้อะหดันันนลุไม่มีใครเลยที่การงานของเขาจะทาให้เขาได้เข้าสวรรค์ ไม่ได้เข้าสวารรค์ด้วยผลงานของตัวเองเข้าแล้วสิละมาดถือสินอดอ่านคุรา์านศึกษาเรียนรู้คุรา์านความดีทั้งหลายเนี่ยผลงานของเราที่เรามีความหวังที่เรามีความคาดสูงว่ามันจะเป็นเหตุผลให้เราได้เข้าสวารรค์นี่ใช่หรือเพราะในคุร์ติอันี้อัลลอฮ์ก็บกุ่ง ทิลคุณจันทน์ทั้งที่อูริสตุมุฮาบีมาคุณทุมตามาลุ่นี่คือสวรรค์อันเป็นมรดกที่พวกเจ้าได้มาเนี่องจากผลงานหนามันตามลุ่นที่พวกท่านเนี่ยได้สาสมไว้อก็นี่งานนี่ไงอุลมานี่บอกว่าไม่ใช่ตัวการงานอย่างเดียวแต่ตัวงานเนี่ยเป็นเหตุผลหนึ่ง ที่เราไม่ได้เข้าสวรรค์เอาแล้วก็ อ, ะ, อ, ะ, กอะไรที่เป็นเหตุผลหลักล่ะนบีบอกว่าไม่มีการงานของใครใดๆนี่ที่จะให้เขาเข้าสวรรค์กล่าววยา رسول ا ل ว ه ولا أنت แม้กระทั่งท่านะห ول มายถึงว่าทา่านเป็มูฮัมมัดเนี่การเป็นนบีการมีเชื่อฟังอัลลอฮ์การที่ทา่ทานทำความดีเนี่ยไม่สามาร ถ, ถาาทําให้ท่านเข้าสวรรค์ด้วยผลงานนี่ไงกอลวยาอ س ะ ل الله ولا แม้กระทั่ข้าพเจ้า ก็จะไม่เข้าสวรรค์เพราผลงานส่วนตัวของข้าพเจ้า إلا أن يتغمدني ا บ ل ه بفضل م ม هو رحمة เว้นแต่ Allah เนี่ย a ลลอ h จะให้ความปรดปรานและความเมตตากับข้าพเจ้าเหตุผลหลักที่จะเข้าสวรรค์นี่นั่นก็คือความปรดปรานและความเมตตาของล l l a h เนี่ซึ่ง เรื่องนี้มันไม่สามารถตัดสินฟันธงได้ว่าความโปรดปรานหรือความเมตตาของพระเจ้าเนี่ยในโลก in hm. นี้นี่นะไม่สามารถบอกว่าเนี่ยที่เราเรียนเรียนเรียนความหมายกุตานกันที่เราละหมาดกันที่เราทําความดีกันนี่คือความโปรดปรานและความเมตตาของพระเจ้านี่อย่างแน่นอนตราบใดความโปรดปรานเหล่านี้เรียกว่าความโปรดปรานได้นะแต่มันไม่แน่นอนเพราะอะไร เพราะยังไม่ยังไม่แน่ชัดว่ามันจะทำให้เราได้เข้าสวรรค์หรือเปล่าทำไมอ่ะเพราะในบนดทวกของบุคอรีเนี่ยท่านน บ, บีไ ด, ได้ได้พูดหาริษน่ากลัวมากผลงานดีๆแบบนี้แหละสำหรับบางคนนี่นะจะกลายเป็นเหตุผลเข้านารกด้วยซ้าไปอวัลุมันตุสตาอารุบิฮิมุนนารลกุมแรกที่จะเป็นเพิงนรกเชื่อเพิงของนรกกันนะ คนแรกเนี่ยมุ jahid คนที่ต่อสู้อ้างว่าเป็นจิฮาดนะต่อสู้นะมามานี้ไปทาไําอะไรมาผมก็เจอฮัตตูวีซบีเล็นี่อัลลอฮ์สอบสวนเองนะเ จ, จ, จ้าไปทําอะไรมาเจอฮัตตูวีซบีเล็กคำประแจงจิฮัดเน่ย้งองกระับต่ะไม่จริงเ จ, จ, จ้าจิฮัด ولكن จะฮัตต์ละยุควาลชุเจอาเจ้าโดยต่อสู้จะได้ถูกยกย่อ ง, งว่าเป็นนักรบกล้าหาญ ถิงโยนรกบริจาคเจ้ามีผลงานอะไรครัพเจ้ า, าบริจาคนาี่หุ่นต้องตังเยอะแยะไปหมดเนี่ยบริจาคนี่หต้องลดกันนับจ้ะไม่จริงเจ้าบริจาคหรือก้อนจะแวดจะได้ถูกยกย่องว่าเป็นคนใจบุญเป็นคนใจดีเป็นคนทําบุญเยอะมาคนที่สามเนี่ยนี่นา่ากลัวเจ้าล่ะ ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ได้ศึกษาความรู้ความรู้อะไรความรู้ที่ที่เขาจะถวายทูลกับอัลลอฮ์นี่ตอนนั้นเขาเนี่ยกุรานไงเรียนรู้กุรานเรียนรู้ศา ส, สนานี่นะแนวทางของพระองค์กระสุดจาไม่จริงเจ้าได้เรียนรู้เจ้าได้ทําหน้าที่เรียนรู้สอนเลียวก็ละอาลิมก็จะได้ได้ชายาว่าเป็นอาลิมเป็นคนที่มีความรู้ ฮาดิสนีนี่เป็นฮารดิสีหน้ากลัวที่สุดสำหรับไม่ใช่หน้ากลัวสำหรับคนที่ไม่ได้ทำอะไรคนที่ไม่ได้ทำอะไรเนี่ยส่วนมากนี่ไม่ถึงฮาดิสไม่ถึงเรียนไม่ถึงแน่นอนพอแค่แล้วมาดีๆยังไม่ถึงเลยแล้วจะไปถึงฮาดิสคือู้ก็ ถึงจะถึงน่ะแต่สมมติว่าเขาไม่ละหมาดไม่อะไรไม่ไม่ไม่จีฮัดไม่บริจาคไม่อะไรเลยพอฟังฮะดิษนี่นะโหนี่กูยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะแล้วแล้วจะอยู่ไหนอยู่ไหนนี่นี่ขนาคนที่ทําแล้วนะคนที่เขาทุ่มเทแล้วนะอัลลอฮฺมังกูใช้ไม่ได้ฉันยังไม่ได้ทําอะไรเลยผมบอกหน้ากลัวสําหรับคนคนที่ขยันนี่แหละต้องระวัง แสดงว่าการนี้เป็นอาเลมเป็นมุจายดเป็นคนที่บริจาคทุ่มเทนี่นะมันไม่ได้การันตีว่าเอลมูความรู้ของเ จ, จ้าจีเฮดการต่อสู้ของเจา้าการบริจาคของเจ้าเนี่ยมันเป็นความโปรดปรานมันเป็นความเมตตาของเราเสมอไปเราจะรู้ยังไงครับอีกล้วที่ใครใครใคร นายจะรู้ใครจะรู้แล้ว่าอิคลาสเรารู้เรารู้ใช่ไหมและวใครกันที่ว่าอิคลาสล่ะพอนี้สามสามคนนี่นะก็เป็นทูนกับอัลลอฮ์นี่ต่อห น, น้าคนทั้งหลายนี่ก็ไ ม, ม, ม, ม่มีใครรู้หรอกเรื่องอิคลาสไม่มีใครรู้นอกจากอัลละฮ์ถ้ามีใครอ้างว่าการนี่เรารู้ว่าเราอิคลาสเนี่ยจบที่เราอล้นะโอ้โ ห, โ ห, โหยังนั้นไม่ต้องมีวันกิยามัดแล้ว คือจะกกูโปนี่เข้าสวรรค์ได้เลยและไม่ต้องผ่านการสอบสวนไม่ต้องมีอะไรแล้วทําไมอะ่ะมันจบที่เรา่ยแต่มันจบที่เราไหมล่ะอ้างไปเถอะว่าอิคลอสอ้างไปเถอะว่าบริสุทธิ์ใจอ้างไปเถอะอุณเมาถึงบางท่า น, นบอกว่าความบริสุทธิ์ใจเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องมอบหมายต่ออัลลอฮ์นี่ เรามีหน้าที่ทำอย่างเดียวแต่า ก, การอ้างไม่เป็นผลดีเสมอคือคือผมนี่เป็นคนบริสุทธิ์ใจนะผมนี่ผมนี่ทำอะไรนี่บริสุทธิ์ใจนะคือมันไม่เป็นผลอนะ่ะมันไม่เป็นผลเพราะสุดท้ายเนี่ยเราต้องมีประทับตาจากอัลลอฮ์นี่ว่าที่พูดจริง สุดท้านะต้องไปสอบสวนนอนเกียมาแล้วแต่คลาสเนี่ยมันก็จะกลายเป็นผลงานที่อัลลอฮฺโปรดปรานและาพอพระทัยนะเชิญเจ้าเป็นมุขฤสเป็นคนมีคลสอสเชิญเขา้าสวรรค์ตรงนั้นนะมันจบตรงนั้นถึงท่านนาบีใครจะสงสัยว่านาบไาีไม่มีคลอสไม่มีคลอสนีใครจะสงสัยอะ่ะแต่แม้จะดนะั่งนบีเนี่ยที่เราไม่สงสัยว่านาบีต้องมีคลอสแน่นอนนะนะแต่นบีบอกว่าไอการทำงานของเขานี่ยนะทำไมเขา่เขา้าสวรรค์ แสดงว่าอิคลาสของนาบีก็ไม่เพียงพอที่จะเข้าสวรรค์ น, นี่เราสมมติแล้วนะว่าอิคลาสแล้วนะอ่แสดงว่าความโปรดปรานของอัลลอฮ์ความเมตตาของอัลลอฮ์นี่นะที่จะต้องทำให้เราได้ภูมิใจหมายรวมว่าความโปรดปรานและความเมตตาที่เราหวังจากอัลลอฮ์ س ب า ا ن ه และ تعالى นี่แหละ แต่ไม่มีใครสามารถหวังในความโปรดปรานความไม่ได้องอรรถนอกจากว่ามีเหตุผลที่จะหวังคือไม่ละหมาดเลยไม่บริจาคไม่ดีฮาตไม่ทําอะไรเลยแต่ฉันหวังในความเมตตางองอรรถนี่นะอันนี้ตอนแหล่แนะ่นอะนไม่เป็นผลเหมือนกันมีผลงานของตัวเองและนี่นะคือเหตุผลว่าทำไมอรรถบอกว่าเข้าสวรรค์เพราะการงาน่ะคือการงานเป็นเหตุผลอย่างนึงที่จะทําให้เราได้เกาะเกี่ยวกับควา ม, มเมตตาความโปรดปรานขอลอะรถ เมื่นั้นมันไม่มีสิทธิ์มันจะมีข้อผูกพันอะไรล่ะผอรู้จักกับคุณนุ่นนะอยู่คนละประเทศคุยกันได้ไหมคุยไม่ได้ถ้ารู้จักสนิกันสนิทกันคุยกันคุยไม่ได้ต้องมีซิมก่อนต้องมีเบอร์โทรศัพท์ก่อนแต่มันอันนี้อันนี้อันนี้หมายถึงว่าในในใ น, นกลไกที่เราพอที่จะนึกออกได้เข้าใจได้ว่าเออไม่ใช่หมายถึงว่าเราเนี่ เป็นเบาของอัลลอฮ์ชื่อกับมฮัมมัดชื่อกบอับดุลล ะ, ละมาดทุกวันอะไรทำทุกสิ่งทุกอย่างแสดงว่าฉันเป็นชาวสวรรค์แล้วเช่นข้อสรุปว่าเฮ้ยเราเป็นมุสลิมชาวบ้านแบว่าที่แบบว่าชาวบ้านซื่อๆหน่อยนะเฮ้ยเราเป็นแขกไม่ต้องกลัวหรอกเข้าวสวรรค์นแน่ถ้าว่ามีกะลิมอ เราเนเป็นชาสวรรค์แน่นอนมีกะลิโมเป็นมุสลิมมีกะลิโมคือสำนวนเนี่ยความเชื่อเนี่ยไม่มีตัวบทรองรับล้วฮะดีสนฮะดีสที่นบีได้บอกนะฮะดีสไม่ได้บอกว่าใครเป็นมุสลิมเข้าสวรรค์ใครมีกะลิโมเข้าสวรรค์แต่ละฮะดีสละบทนี่นะมันมีเนื้อหาที่ลึกซึ้งมีเนื้อหาที่กระชับมีเนื้อหาที่มีมีความมีความมีมี ความคมของมันอั่นกล่าวไอิลม่ไม่ลม่ลม่ไมุคลิไม่ม่ไก่ไม่ไม่ไม่ไม่ดม่ไม่าม่ไม่ไม่ไม่ไม่่ไม่ไม่ม่ไม่ไม่ใจ่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ข้่สม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่ไม่่าม่ไม่ม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไไม่ไ่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไ่ไม่่ ไม่ต้องไปคัดค้านนบีไปสู้รบกับนบีแค no ่นนนบีบอกว่ากูนี่แหละอิละฮ์อิลลัลลอฮ์ทุกนบีก็รู้นี่จนกล่าวเลยอิละฮ์อิลลัลลอฮ์แล้วพวกเจ้าจะมาสูความสมแท้แค่นี้นะกล่าวคำอีมนี่อิละฮ์อิลลัลลอฮ์แล้วมันจบนะมัดิแต่เขรู้วนบีไม่ได้หมายว่าอิละฮ์อิลลัลลอฮ์แล้วมันจะจบ ลายลายลอยต้องเลิกเหล้านะต้องเลิกโสพินีเลิกดับเบี้ยเลิกเจวิดเลิกทุกสิ่งทุกอย่างที่มันขัดกับและอิละอิละอลลอเนี่ยเขารู้กูโเรสนี่ยเขารู้กความหมายของลายอิละอิละลอเนี่คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะแต่คนปัจจุบันนี่ที่บอกว่าเหล้าก็กินกระทำกระดูมกัญชากระดูดละมาก็ไม่เอาถือสิทธอดก็ไม่ไหวไปทำเฮดไม่มีตังแต่เที่ยวทั่วโลกนี่มีตัง แต่ต like, la, ัวทุกก็ไม่ทํำแล้วสุดทำเนี SO e ่ยเราไม่ต้องห่วงเพราะเราเป็นมุสลิมมีกำมิมนอันนี้อันนี้ไม่ใช่เรื่องตลกไม่มีคนเชื่อแบบนี้จริงจริคนเชื่อแบบนี้จริงๆแล้วในชีวิตเนี่ยบางคนเนี่ยทําทุกอย่างเลยวัดก็เข้าโบสก็เข้าสุเราไม่เข้านะวัดก็เข้าโบสก็เข้าร่วมนมัสการร่วมสวด ทุกศาสนาเลยแต่รว่วมละมาตอเราเรนี่ไม่เคยไม่เคยทำทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นบาปไปทั่วเลยนะครับสังคมมุสลิมไม่เคยเข้าแต่ยืนยันเพื่อนเขาทั้งหมดเนี่ยไม่มีมุสลิมสักคนนแต่ยืนยันในะว่าสุดท้ายเนี่ยไม่เผาตรงฝังทำไมเนี่ยพราะเป็นมุสลิมเนี่ยนี่คือความเข้าใจของคนบางคนในยุคปัจจุบัน มากกว่านั้นน่ะเนี่ยที่เราเห็นกันนะเป็นขี้ข้ายิวรับออเดอร์จากยิวจะได้ฆ่าพี่น้องมุสลิมแท้ๆเลยน่ะเป็นกระบอกเสียงเป็นสื่อเชี้ยทัศนะของยิวในการต่อต้านพี่น้องมุจฮิดีนเป็นเป็นพวกที่ฝักใ่ยิวอย่างแท้ๆเลยนี่ใส่ชุดแบบนี้เลยนี่อย่างนี้นี่ออก l ลฟ e อย่างนี้เลยเนี่ยใส่ชุดแบบนี้เลยใส่หมวกใส่โต๊ะแบบสีขาวแบบเนี้บยบอกว่าปเลสไต์และวก็อ็อกซอ น, นเราต้องยอมรับในของยิวยังไงก็ของยิวไอ้ที่ทำนี่นะไอ้ที่กอร์จิฮะกันไอ้นี้เน n ่ยไอ้นี่เนี่ยจะไปเอาสิทธิ์ทิพของิวเขาจะไปแย่งเขานี่เนี่ยพูดแบบนี้เนี่ยอ้างว่เป็นมุสลิมเอาแล้วที่พี่น้องขอร์จิฮต่อสู้จะได้ปกป้องอ็ว อันนี้เป็นไหอยนะกไอมุสตีน้องมุสติมของเรานี่ยหอยนะกผมขอสับแช่ ง, งพวกนี้เนี่ยพวกนี้น่ยสมควรที่จะตายเนี่ที่ฮามาสและพี่น้องชาวกาซาสมควรที่จะตายนี่ใส่แบบนี้นี่ใส่แบบนี้เลยเอถึงไม่แตกสิฮอ ด, ดีซีที่นาบี บ, บอกว่าสามกลุ่มที่จะเป็นเชื้อเพลิงแรกๆของก้อนแรกเลยที่จะถูกโยนนรกนี่ จะเป็นกลุ่มไหนอ่ะก็กลุ่มที่กลุ่มที่กลุ่มที่ชาวชาว ท, ท, ที่มนุษย์ในวันเก่มากนี่เขาจะผิดหวังเลยเขาจะผิดหวังเนาะพวกนี้นะมุเจฮิดีนบางกลุ่มเนามีกลุ่มนึงเป็นนักรบนักสู้สถาปนาตัวเองว่าเป็นนักนักต่อสู้เพื่อกาซ่าขนานกับฮามาเซ่เนาะ เรียกกันกลุ่มยาเซอร์อบูชบาดเนี่ยรับอาวุธจากยวสอดแนมส่งเบาะแสเกี่ยวกับมุจาฮิดีนอยู่ไหนปากอุโมงอยู่ไหนที่ไหนนในในส่งเครื่องบินอยู่จะได้มาถล่มแล้วเขาอ้างว่าตัวเองนี่ยเป็นนักต่อสู้เพื่อเอกราชของกาซาเป็นนักมุจาฮิดีนเหมือนกันนะนี่มีประพิษทุกประพิษน่ะ แล้วความโปรโดปรานของ Allah ความเมตตาของ Allah เนี่ยที่น่าภูมิใจเนี่ยจะอยู่ตรงไหนาทาเนี่ยตอนนี้พยายามนะอยากได้โนเบลสันติภาพเลยเกินเอะ อ, อะไรกันประชุม ป, ประปชุมปณีปณอมระหว่างไทยกั บ, บ ก, กัมพูชาบอกว่านี่กเสนอชื่อกูไหมโนเบลสันติภาพนี่กเมคือทั้งโลกทั้งหมดเลยเนี่ย ให้โนเบลไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเดียวนะโ no นเบลน่ยทุกปีนะให้นเบลไปเถอะแต่ฝีมือของเจ้าเนี่ยที่เคยไปสั่งเครื่องบินรถไปทิ้งระเบิดที่เมน่นนิโดนที่นี่ระเบิดของอเมริกาที่ฮัดี้ให้ไอ้เซอรบ้างขายบ้างแล้วก็ไปฆ่าไปฆ่าคนบริสุทธิ์เด็กสตรีที่จริงเนี่ยบริสุทธิ์ดังนั้นนะ่ะแต่เราเด็กสตรีนี่พมไม่ใช่นักลนะุกไง มันจะเป็นหลักฐานมันจะเป็นพยานฉีกหน้าในวันเกียร์มาเนี่สันติภาพตรงไหนตัวเองภูมิใจใช่ไหมโอได้รางวัลโนเบลสันติภาพหรือภูมิใจใช่ไหมที่ได้ได้ยดนูน่นได้ยินคนก็ชื่นชมนั่นนี่ถึงบอกว่าไอ้เรื่องนักนั ก, น ก, นกสะสมมาเคยรุ ม, มิมมาเยจมา่าอุนความโปรโดปรานของอัลลอฮ์นี่ความเมตตาอัลอฮดีกว่าสิ่งที่พวกเขาสะสมสะสมอันเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจสําหรับชาวลูก ใครเป็นราชการมะเยแถวนี้ยใครเป็ข้าราชการมะเห็นมัมชุดราชการะนะผมก็มีเหมือนกันจ อ, อยชุดๆแล้วยิ่งคนเก่าแก่แล้วก็น้ำชายแผ่นดินอายุเยอะเนี่ยเขาก็จะมีเยอะใช่ไหที่จริงเนี่ยข้าราชการที่เขาเขาทําเพื่อเพื่อสังคมจริงๆอันนะเขาผมเคยเห็น การจัดการเนี่ยมีพวกยศนี่เยอะมากเลยโอ้ขอดูหน่อยสันิมขึ้นหมดเลยทิงเขาไม่เขาไม่เถื่อคือเขาให้มาไงบางนี้สถาบันเบื้องสูงเนี่ยก็ให้มาเพราะเป็นคนนี่เป็นคนนี่ทําความดีกับสังคมจริงๆริงาให้มาไอ้นี่เรารู้มาว่าเวลาเสียชีวิตเนี่ยเขาก็จะมีถ้าเป็นถ้าเป็นคนพุทธเนี่ยเขาจะมีพระราชาเนอะ แต่เพิงพระราชทานนี่ถ้าเป็นมุสลิมล่ะมีดินพระราชทานอาทิ้งกะสถาบันของม่ากษัตริย์เนี่ยเขาจะเอาเพลิงพระราชทานมุสลิมเขาไม่เผากันไงเขาฝังแบบมีดินพระราชทานมีนะมุสลิมที่ที่ที่ที่บอกว่าไม่เอามีนะและ้วมีแตโอ้โหดินพระราชทานมาในบางที่เนี่ยมาหนุคนเขาภูมิใจไงแต่มุสลิมเขาไม่เอา นี่ผมจะอะไรนี่กำลังไปไปไปพบกับตุหันน่ะนี่เข้าไปในหนุนม่มนี่น่ยไม่มีอะไรเนี่ยดินพระราชทานนี้มันจะช่วยอะไรได้นโดนเบลเน่ช่วยอะไรได้อะไระมันจะช่วยคนที่รู้จริงนะว่าพวเขาหลุมแล้วอ่ะนะการงานที่เอามาโปรดปรานและเมตตาเท่านั้นนะรวมถึงสิ่งที่เราสะสมนี่นะก็คือความรู้ นี่เนที่เราสะสมในเรียนรู้เรียนรู้ทฤษฎีเรียนรูนรรนร้อะไรเรียนรู้อะไรตรงนี้เรียนรู้ศาสนาศาสนาต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสะสมที่ไม่มีค่าและไม่น่าภูมิใจเหมือนกันถ้ามันไม่เป็นข้อปฏิบัติที่ละโปรดปรานและเมตตาฉะนั้นท่านนาบีขอความคุมค้มครองให้พ้นจากความรู้ที่ไม่มีประโยชน์เราไม่เนี่ยเอาดุิคามินอาไอหลินนินแหลกยังตา และขอให้มีความรู้ที่ยังบปิอัอสลอลุกาอิมันนาฟิอาความรู้ที่มีประโยชน์อะไรที่มีประโยชน์ความรู้ที่มีประโยชน์คืออะไรอน่ยความรู้ที่อ๋อได้แล้วมีปริญญาแล้วได้ตําแหน่งมีอาชีพมีเงินเดือนนี่ความรู้ที่มีประโยชน์พอไปจบเมืองนอกแล้วใช่ัหมเรียนศาสนากลับมาได้ตําแหน่งเป็นข้อเต็มเป็นนักกุชการมีรายไดน้นี่มีประโยชน์ใช่ไหมไม่ใช่ โดยเฉพาะยางยิ่งในความรู้ศาสนานี่นะถ้าเรียนรู้ศาสนาเพื่อสแสวงหาตำแหน่งสแสวงหาผลประโยชน์นี่นะความรู้ <c oughs> เป็นความรู้ที่ไม่มีประโยชน์ถึงแม้ว่าเป็นความรู้ด้านศาสนาแท้ๆท่องจำคุรานทำไมจะได้เป็นอิหมัมบานเราเนี่ยจะไม่ไม่ไม่ได้ดีไม่ได้ดีนะอิหมัมอิหมัมนี่ก็ แต่ถ้าประเทศอื่นนี่ยนอิหมั่มนี่แค่นำละหมาดละหมาดตะเราเยียย น, นี่เนี่ยรวยเลยนะรวยเลยนะสร้างบ้านแต่งงานมีรถมีรถรวยเลยยิงจะเสียงไพเราะหน่อยนั้นโ อ, โอ้โหท่องจํากุตตานเล่เนี่ยจะได้เป็นอิหมั่มแล้วรวยผมก็อยากจะพูดเรื่องนี้หมดเลยผมท่องจํากุตตานแล้วรวยอย่างแถวไหนเนี่ยการอธิบายมันไม่แถวนี้ไม่ใช่บ้านเราเนี่ยะ บางจำกรอ่านฮาฟิดมีนาส่วนมากก็จนนะนะแต่บางที่เนี่ยรวยรวยจริงๆก็ไม่ใช่ความรู้ถ้าความรู้ถึงจะเป็นความรู้กุฎานนี่แหละแต่เราไม่โปรดปรานนะเราไม่มเมตานะก็จะไม่มีประโยชน์แล้วจะมีประโยชน์เมื่อไหร่ล่ะ ถ้านําเราไปสู่สวรรค์แล้วเราจะรู้ยังไงแล้วอยู่ในโลกนี้เนี่ยมันจะรออีกนานน่ะป่านนี้ก็คงไม่นานแลยอีกหน่อยหนึ่งก็อีกหนยหนึ่งก็ไปแล้วรู้แล้วแต่นี่เยาวชนยังยังยังอายุอีกอีกนานอ่ะแล้วก็จะใช้ช่วชีวิตอย่างเงี้ยก็จะอายุ60 70ปีเนี่ยก็อยู่ลังเลกันอย่างเงี้ย อยู่อยู่แบบแบบไม่แน่นอนไม่ช่วยอย่างเนี้ยคือจะหากว่าไม่ดีมีผลงานไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได้มีข้อผูกพันอะไรเลยกับความรู้ศาสนาและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้นี้เลยนะใช่น่าเป็นห่วงแต่ส่วนมากคนที่คนที่ไม่เรียนรู้และไม่ปฏิบัติเนี่ยเขาไม่เป็นห่วงอะไรเลยนะเขาก็ไม่เชื่อบางทีเขาไม่เชื่อเลยอ่ะ ยิ่งพวกนี้เนี่ยส่วนมากนี่เขาเชื่อว่าเป็นชาวสวรรค์อยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องสงสัยพวกนี้เนี่ย <c oughs> มันถูกหลอกไงความรู้ผิดๆนะที่เขาไปเรียนรู้มาเนี่ยว่าโอ้สบายสวรรค์เนี่เป็นเรื่องเรื่องนิดเดียวเออเป็นเรื่องนิดเดียวเนี่ยทํางานให้มีตังค์ดีกว่าละมาดิจริงจริงเหรอจริงดิไป่รู้เหรอ ตายแล้วนี่เองมีตังกันนะเดี๋ยวขากระหมาอมส่งโรคให้แล้มาส่งโรคนี่สําหรับคนที่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจอิสลามไม่เข้าใจคําศัพท์เฉพาะนี่เนะี่ยโรคนี่คือวิญญาณส่งโรคนี่ก็คือส่งไปดวงวิญญาณมีคนจะละหมาดให้นะนะแล้วก็ส่งละหมาดให้ดวงวิญญาณละหมาดแล้วก็ถ้ามึงมีสตังนะตลอดชีวิตเนี่ยหาตังหาตังหาตังนี่ตายแล้วนี่มีตังเดีด๋ยก ทายาทนี่นะเขาก็จะมาจ้างคนดีมาละหมาดแล้วก็ส่งอ่านกูอ่านแล้วก็ส่งรูปทำนั้นก็ส่งรุปสุดท้ายเนี่ยถ้าอยู่ในคูโบนี่สบายเลยกูอ่านก็มาละหมาดก็มาบริจาคก็มานี่มาถึงเราเขาส่งมาให้เราเนี่ยเฉยๆเลยเป็นงานเป็นเงินของเราแท้ๆที่สะสมมาก็านี่ไงเขาเขอ้าใจผิดๆไงแล้วจะมีประโยชน์อะไรลนะ่ะที่อัลลอฮฺบอกว่าเลี il ้ยงสิ่งอินสําหรับมนๆไม่นด้ จะไม่มีอะไรที่จะได้มาเนี่ยนอกจากสิ่งที่สะสมด้วยตัวเองอยากได้ผลละบนของละหมาดก็ต้องละหมาดเองผลบนของกุานเนี่ยก็ต้องอ่านเองศึกษาเองตลอดชีวิตเนี่ยเขาฟังเพลงเขาไม่ฟังกุศอา่านหรอกฟังกุศลแลก็ปิดปิดปิดปิดปิไมอับประมงคนอ่านกุอานเหมือนมีคนตายบ่า ในบางคนนี่ทถ้าไม่มีคนตายนี่อ่านยาซีนหนึ่งึ่เขาไม่อ่านนะทาไมอ่ะกพยาซีนี่อ่านให้คนตายดูอย่าแปลกใจนะเรื่องจริงนะถ้าบ้านเราอาจจะไม่มีแต่ประเทศอื่นได่มีเขาไม่ให้เปิดคุรอานไม่อ่านกุรอานในงานนิกะเพราะเขามองว่าอัปมงคล เพราะคุรอ่านนี่เขาไว้อ่านตอนมีคนตายนี่นจริงมันก็คล้ายๆวัฒ น, นธรรมของสังคมบ้านเรานี่ก็มีอย่าเอ่ยความตายเลยทำไมอัปมงคลอจะเอ่ยความตายเดี๋ยวมีอะไรจะมาที่ผ่ายตอนนี้เลยอะเป็นที่ไปที่มาก็เงย์อย่าอย่าพูดเลยตายแท้ๆตุย แล้วมันมันจะมันจะไม่เอาประมงคลมันจะพ้นนั่นะตุยแล้วมันจะไม่ตายอ่ะเขาเชื่ออย่างนั้นจริงๆนั่นแหละคำว่าตายนี่อ่ะี่รู้มาเนี่ยมีมคำหนึงแต่กอนนู่นนะผมก็มงงนักวกิชาการบางคนก็ใช้แล้วก็ไม่บอกผมด้วยว่าจะได้จะได้ทันเ้าหน่อยอุตตะอุตะก็อุตายนั่นแหละอุตตะอุตะ มันจะได้ไม่ตายไงเพราะอุตาอุต่ายตายพูดไม่ได้ตายพูดไม่ได้ทางดังดีนะดีว่าไม่ไงอักซิลูมิเนติกเรื่องความตายเนี่ยเอ่ยให้เยอะพูดให้เยอะนี่ดีเราะคณะจะม่สัคนละเรื่องเลยกับความเชื่อของผู้คนคนนีทีจริงเนี่ยคําว่าชีพหายนี่นะมันไม่ใช่เรื่องความหยาบคายอย่างเดียวคือกลัวเอ่ย ชีพหายนี่ก็คือตายนั่นแหละความชีพหายนี่คือความตายเนอะไม่ชอบให้จะพูดจะพูดแบบนี้จะพูดแบบนี้ทุกอย่างที่มาทุทกอย่างที่มันทําให้เรารู้สึกว่าเออ ม, มันจบแล้วตรงนี้เนี่ยนะอยอย่เอ่ยมามันอัปมงคลอิสลามไม่มีหรอกนบีบอกกลูละไปเถอรคือจะมาเชื่อ ว, ว่าคำหนึ่งจะทําให้เราอัปมงคลคำหนึ่งทําให้เราตายแต่ไม่หายนะอะไรนี่มันเกี่ยวกับคำเนอะไม่มี เพราะ อ, อับตะกอนนัน็มีความเชื่อแบบนี้อิสลามบอกว่าไม่มีโดยเฉพาะเรื่องความตายการพูดถึงเรื่องความตายเอ่ยถึงความตายนึกถึงความตายอย่างนี้นะมันเป็นซีมามันเป็นคุณลักษณะของคนนิยมเกรงอัลลอฮฺสุบฮานาอูมแตะคนนี้ไม่ลืมบั้นปายเขานี่จะต้องตายและสังคมหรือครอบครัวหรือหมู่คณะที่เขา เติบโ ต, ต, ตหรือถูกขัดเกาวในวัฒนธรรมนี้นี่นะความตายเนี่ยก็จะก็จะกลายเป็นเป็นเรื่องที่ทำให้เขามีโอกาสสำนึกกลายกลายเรื่องดีสาหรับเขาด้วยซ้ำถ้ามีความตายมีคนตายอันนั้นดีเราจะได้จะได้เตื่นสติ พอคนบางคนน่ยอยู่ไปอยู่มาเนี่ยไม่เคยไปยานาจ้าไม่เคยไปเยี่ยมคนป่วยนึกว่าจะอยู่ตลอดตลอดการแบบนี้จนต้องมาเจอเนี่ยเราก็เตือนเรานะบางทีเนี่ยเราก็เตือนแบบรุนแรงนะเป็นปีๆอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีคนตะกัตยินน่ะดูข่าวนะแต่คนใกล้ตัวเนี่เราก็ไม่เจอสุขภาพแข็งแรงไม่เคยป่วยไม่เคยนอนเตียงไี่เคยเข้าโรงพยาบาลไม่เคยฉีดยาไม่เคยอะไรนะ นะบางทีก็เป็นเรื่องที่เอาเราเตือนโลกทั้งโลกนี่อย่างโควิดนี่นยโอโ้โหทั้งความตายควาป่วยนอ น, อนติดเตีงเห็นเห็นเห็นเห็นกันเลยเป็นชุดๆเลยแต่บางทีเนี่ยเราก็ถูกเตือนจากคนใกล้ตัวพ่อแม่ลูกพี่น้องเพื่อนมีนักร้องคนหนึ่งดังมากนะทิประเทดี มันเป็นวยรุ่นเลยอายุ21 22ดังมากเลยร้องแล้วก็ชอบร้องเพลงเพลงที่มันแบบว่าเพลงที่ไม่เอาไหนอะเพลงที่ไม่มีไม่มีเมโลดี้ไม่มีคาไม่มีกรอนที่มันเรียบไม่ไม่มีอะไรเรียบร้อยเพลงหลุดโลกเพื่อนตายเพื่อนสดิทมากเลยตาย คือมันเหมือนอะไรที่มันเขย่าเขย่าชีวิตเฮ้ยไม่ใช่น่ะไอ้ที่ความเรียบง่ายที่ที่กําลังเจอเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่กฎน่ะที่กําลังใช้ชีวิตไม่มีคนตายไม่มีใครป่วยกูก็ไม่ตายไม่ได้ตายไม่ได้ป่วยไม่อันนี้ม่ใช่กฎน่ะมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดน่ะเลิกหมดเลิกทุกอย่าง นักร้องในอดีตเนี่ยนักร้องดังมากหลานเขาว่าลูกของลูกอะ่กะก็เดินตามรอยเท้าของของยา่าย่าเนี่ยเป็นนักร้องดังมากเลยเนะี่ยหลานเนี่ยก็ปอดดังมากวันดีคืนดีเนี่ยนักร้องรุ่นหลานนี่นะก็ไปเรียนรู้ศาสนามานี่เลิกเลยคุ้มหิ j าบเป็นผู้หญิงี่ยคุมหิ jab เลยไอ้พวก วงการนักร้องนักดนตรีเนี่ยให้ดูดิยา่ามันเป็นนักร้องขนาดไหนเนี่ยหลานมันนี่นะมันคุ้มยามแล้วเนยดูสิเราถึงขนาดไหนแล้วนี่หมายถึงว่าคนที่แบบว่าเพียนเพียเพ้ยนแล้วก็มาเข่งศาสนาดูสิว่าเราถึงขนาดไหนแล้เนี่ยพอพอนักร้องเนี่ยเขาจะมองคนที่เข่งศาสนาเนี่คนที่แบบว่าคนบ้าไปแล้วไงแต่ลราสภานั้นว่าเราเาจะส่ง อะไรที่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยถูกวางให้มีแนวโนม้มมีความหวังที่จะเข้าสวรรค์เป็นเปอร์เซ็นต์สูงมากกว่าและนี่คือสิ่งที่จะปลอบใจพวกเราเนี่ยในโลกนี้ถ้ามีผลงานที่เรารู้สึกลึกๆว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์ แม้ว่าเราจะไม่บังอาจพูดด้วยวาจาโอ้ฉันมีผลงานแบบนี้นะฉันเข้าสวรรค์นแน่นอนไม่มีใครที่หวังในความเปรดไปแล้วความไมไ่จะพูดแบบนี้ไม่มีแน่นอนมีหนาซ้ำคนทีคนที่หวังในความไม่ไแต่ละความบอกว่าโ อ, โอ้งานของฉันนี่มั น, มนใช้ไม่ได้หรอกงานของฉันนี่มันมีตําหนิยเยอะมันมีเรื่องเยอะถึงขนาดบางคนบอกว่างานของฉันนี่แทบไม่มีคลาสเลย คนที่พูดแบบนี้เนี่ยคือคนที่ชอบตําหนิตัวเองผลงานของตัวเองเนี่ยอย่าคิดว่าเขาเป็นคนไม่คนพวกนี้เนี่ยคือคือคนที่เขาคือเขาเข้าใจว่าจะต้องทําแบบไหนแล้วต้องยังไงจะได้อยู่จะได้อยู่ในเซฟโซนในจุดที่มันปลอดภัยที่สุดทํทาทําให้เยอะด้วยแล้วไม่ต้องคือไม่ต้องนิ่งนอนใจว่าเนะี่ยทำแล้วโดยยี๋ยวจนไม่ใช่ ต้องท hey, ําอีกทาต่อเนื่องต้องปรับปรุงแก้ไขต้องตบัดตัวตลอดคนระดับนบีเนี่ก็ยังเตาบัดตัววันละไม่รุกี่กี่สิบครั้งนะเตาบัดตัวอิบานุเตมียาเนี่ยนะโอ้โหนี่ถ้าไอบาดาถ้าเล่าให้พี่น้องฟังเรื่องไอบาดาของอิบนุเตมียาณ่ะหลังละมาซุบโบถึงเก้าโมงเช้านะซิกรุนว่าอันนี้นี่คือชุดแรกของไอบาดา เขาบอกว่าทุกวันเนี่ยหลังซุบอเนี่ยถึงดูฮานี่เวลาดูฮาเนี่ประมาณเก้าโมงเงี้นะซิกุรุลล่าซิกุรุลล่าเขาบอกว่า <Mighty> ทําไมเริ่มวันทุกวันเนี่ยทําไมเริ่มโดยซิกุรุลล่านี่นะมันจะไม่มีพลังไม่มีพลังงานแต่จะพูดในเรื่องละหมาดเตียมุนสลิมเรื่องอ่านอุลอ่านเรื่องนั้นอิมามอุเตนิยะนี่บอกว่าสามสิบปีเนี่ยที่ผ่านไปแล้วเนี่ยสาสิบปีเนี่ยทําพูดเรื่องนี้มั่นปลายชีวิตนะ ท่านอายุชีวิตเจ็ดสิบกว่าก่อนตายเนี่ยท่านบอกว่าเนี่ยสามสิบปีนี่นะข้าพเจ้าพยายามที่จะซื่อฟูอิสลามของข้าพเจ้าไปถึงว่าทบทวนว่าอิสลามของฉันนี่ครบไม่ครบกะริมกเป็นยังไงบ้างอีมานหกรุกคนมันเป็นยังไงบ้างทบทวนเร า, านี่บอกว่าเรียนไปแลนฟร์ตูอินเนี่ยมาหกสิบเจ็ดสบปีเนี่ยเรียนไปแล้นฟร์ตูอิ น, 60, น, น, น, อนจะมาทบทวนอะไรนะี่ยมันผานบทไปแล้ว จะมทุบทวนอะไรเนี่ยรุกุนรุกุนอิมานหกรุกุนน่ะมันทุบทวนอะไรล่ะทุ่นดีแม้กระต้องละมาที่ละมาทุกวันเนี่ยก็ต้องทุบทวนสุโบของวันนี้ก็ไปทุบทวนว่าไอละมาสุโบเมื่อวานมันดีหรือไม่ดีสุโบวันนี้มันจะได้ดีกว่าดุริของวันนี้เนี่ยมันต้องดีกว่าดุริของเมื่อวานอิชาของวันนี้เนี่ยก็ต้องดีกว่าอิชาของสัปดาห์ก่อนอย่างนี้เป็นต้นรอมฎอนของปีหน้าเนี่ยต้องดีกว่ารอมฎอนของปีก่อนคนคนนี้เนี่ย หวังในความโปรดปรานและความเมตตาของอัลลอสซุบาะห์มะอัลลอและคนพวกนี้นี่นะถ้ามีอะไรสะสมมา น, นะเขาก็จะไม่ภูมิใจเท่ากับสิ่งที่เขาภูมิใจในในในความโปรดปรานความเมตตาที่จะเป็นเหตุผลในการเข้าสวรรค์มีตังเยอะตังมาตังไปมีอะไรมีทรัพย์สินอะไรเยอะแยะมากมายถึงุลมาไี้บอกว่า เดียรยันเนี่ยคุลบิฝั่งในละโหระมัติเพราะ ذلك ฟัลลี่ฟรั่งดีใจคาว่าดีใจนี่หมายถึงว่าอพอเราได้ละมาดีดีใจทาอะไรเฮ่ชยองอ่ไม่ใช่ดีใจเนี่ยมันเป็นความรู้สึกภายในมันเป็นมันเป็นข้อใดกับอิบะดาคุลบิยะแม้กระทั่งความดีใจมันเป็นอิบะด และนี่เป็นหลักฐานว่าศาสนาเนี่ไม่ได้กํากับอวัยวะของเราเนี่ยอนนั่นปฏิบัติภายนอกอย่างเดียวนะหมายถึงอะไรละมาดเลิกซีนา่าเลิกเหล้าเลิกอันนี้มันเป็นเรื่องอวัยวะเ ร, เราเลิกกินเหล้านี่ก็คือปากนี่ไม่ไม่ยัง ม, มีสิ่งมึนเมาเนี่เข้าปากใช่ไหมอิสลามไม่ได้ไม่ไดไม่ได้กำกับสิเพียงแค่นี้กํากับแม้กระทั่งจะดีใจจะโกรธจะอะไรนี่นะอิสลามเข้ามาควบคุมเหมือนกัน ดีใจอ๋องั้นนะดีใจเราชอบสูบบุรีแล้วก็มีคนซื้อสองบุรีบุรีนอกบุรีแบรนด์ดังอย่างเงี้ยเราดีใจไม่ได้อะไม่ได้สิเพราะเราดีใจในสิ่งที่มันบาปดีใจในสิ่งที่มันบาปมันก็เป็นบาปไปด้วยอ๋อสูบบุรีนี่มันบาปไปแล้วนะแต่อีที่ดีใจที่ได้บุรี นอกมานี่นะมันก็เป็นอีกบาปหนึง่งพอมาเทียบแล้วพอมาเทียบแล้วแมตเล่นบอลระหว่างเราียวกับอาร์เจนตินาโอ้โหอันนี้เขาเขารอคอยกันยิ่งกว่าใชชนะของฮามาสไปดีกว่าถ้าฮามาสชนะนี่นะก็คงไม่เฉยเฉยละ แต่ถ้าบราซิลกับอาร์เจนตินานี่เล่นกันนาแนามัดเดียวกันนี่นะโลกโลกไม่หมุนค่ะโลกไม่หมุนนะทุกอย่างนี่มันชะงักหมดเลยแต่บังเอิญภาคไม่ได้ดูหลับไปเพราะสนมากนี่มันช่วงช่วงกลางคืนนะช่วงดึกส่วนมากนี่เขาเขาไม่เห็นใจคนไทยเลยนะไปจัดกันเวลาไหนก็ไม่รู้เป็นช่วงล ะ, ละหมาดเกลียยมุ่นเลยกันภาค ไม่ได้ดูบนเสียใจมากเสียใจมากเลยแต่อีวันนั้นนะบางเอิญดินะก็ไม่ได้ตื่นละมาสุบกแต่ไม่เสียใจแต่ละมาจึงบอกว่าไอบาดาที่อัลลอ์ให้มีผลลบุญผลลบุญม า, าแต่ละมาสุโบยังท่านนาบีได้บอกฮาดิษูรีมามุสกิมอัหมด เอาฮะดีสของคอรีมุสลิมดีกว่าที่ท่านอดีพูดถึงความประเสริฐของการละหมาตซบฮีไอชามันซั่งเลบอร์เดนีดั่งเลือกเจนฟูดายละหมาตละหมาตนี้หมายถึงว่ารักษารักษาละหมาตเบาร์เดนสองช่วงเวลาที่อากาศเย็นอากาศเย็นนี่ส่วนในช่วงไหนอิชาและซุโบ ดั่งข้าวเลือกจันน่ะบางท่านนะบอกว่าอัศรีค่ะสุบูรแล้วมารักษาลมาสุบลอาเนี่ยรัาไว้ดงวเอจันเขาสใครดูแมทบอซอาร์เจนตินเข้าสวรรค์มีไหมทาพาล่ะทาไม่ได้ดูบอลทั้งหมดในบอลโลกทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ดูอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเป่าเลยก็ยังมีชีวิตต่ออยู่ไม่เห็นตายเลย แต่เามาเทียบมาดูวิธีชีของเราเนี่ยเราดีใจในเรื่องอะไรเรื่องที่เขาสะสมไงได้มาล้านหนึ่งดีใจไหมดีใจแล้วมาซุโบ่เนี่ยดีใจเท่ากับได้ล้านหนึ่งไหมมันไม่ไม่ค่อยไงทั้งดังที่นาบีบอกนะรักาตาอัลเฟจีการละมาซุนนะของซุนมจิซุบีนะ แคแล้ะมาศุนน์หน้าของสุภีเนี่ยใครรู้มีใน ด, ดุนยาว่ามาวิหารประตูบุคครีมันดีกว่าทรัพย์สินทุกอย่างในนี่มีในโลกนี้ดีกว่าไอ้ล้านหนึ่งที่ได้มาเนี่ยสิบล้านพันล้านแสนล้านเนี่ยละมาศุนธ์หนาของซุภีสองรกาดเนี่ยดีกว่าทรัพย์สินที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดเราด้วยละมาศุนธ์หน้าของซุภีเนี่ยดีกว่าสิ่งที่เขาสะสมในโลกนี้ทั้งหมดและความปลดปลาร فضل ุลอฮอับรรากอะตามว่ فضل ุลลอฮ์เนี่ยเป a นคุณลักษณะเป็นสิ่งศของอลลอไหมเขาบอกว่าถ้ามองว่า ف ض ุลอความโปรดปคือการให้ของอัลลอฮ์นี่ก็เป็นสี่งศักของอัลลอฮ์แต่ถ้ามองถึง فضل ุลลอคือสิ่งที่อัลล์ให้เพราะบางทีเราอ่านนี่เราโอ้นี่มีคนจงน้าชานี่ فضل ุลลอฮ์นี่ความโปรดปรานของอัลลอฮ์นี่มันเาริสกีเนี้ย อันนี้ม خل ุอันนี้ไม่ชความไม่ใช่คนลักษณะของ Allah แต่อันนี้เนี่ยน่าจะเป็น فضل ุ l l งเราทั้งสองเนี่ยหมายถึงว่าเป็นซีฟงของ a l l a นี่ถ้าเราได้ فضل a l l a ความโปรดประทลน Allah ที่เป็นซิ่งทของ a l l a นี่นะละร่านี่สิ่งเป็นซีฟงที่ขอ a a h เหมือนกันนะนะเราไม่จงสนใจแล้วเพราะส่ีสองอย่างนี้ของ a l l a นี่ถ้า Allah โปรดประทานให้เรานี่นะ จบเลยทุกอย่างนี่ทุกอย่างนี่ไม่ม่ไม่ไ ม, มีความหมายแล้วฟับบุญน้าฮุ่ยอัลฮัมมัตุสองคุณในลักษณะซีฟาตัว อ, อัลลอฮ์เนี่ยที่อัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ลลจะมาคุ้มครองคุ้มครองมนุษย์คนหนึ่งคนใด น, นี่จบเลยนะเพราะฉะนั้นในบางอายะเนี่ยอัลฮัมมะตุน้าเนี่ยลลามาใสวรรค์ในคุรานเนี่ย ก็ดึงพระมดุลนอ้ขึ้สวรรค์แต่ Allah เมตตานราคือสวรรค์แต่ความโปรโดปรานของล l l a h และความเมตตาของ Allah ซึ่งเป็นคุณลักษณะหรือเป็นสิ่งฟ้ของล l l a h นี่เราจะดีใจยังไงอ่ะหมายถึงว่าเราจะมีความลึกในสองสิฟนี้ในสองคุณลักษณะนี้ มีข้อผูกพันในการให้ของอัลลอฮ์มีความเชื่อมีการมอบหมายมีความตระหนักไม่มีใครให้นอกจากอัลลอฮ์ไม่มีใครเมตานอกจากอัลลอฮ์ไม่มีใครจะให้สวรรค์ไม่มีใครจะให้รอดไม่มีใครจะให้พ้นจะปลดลงโทษไม่มีใครจะให้เขามันไม่มี ใครที่จะให้เราได้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยนอกจากอัลลอฮ์นี่การให้ของอัลลอฮ์นี่ถ้าเรามีการมอบหมายแบบนี้นี่คือสิ่งที่น่าบูมใจฉะนั้นในอายะอื่นเนี่ยอัลลอฮ์เน้นให้เราเนี่ยมอบหมายต่ออ AH ัลลอฮ์ وع าลัลลอฮี ف ا ل ل ي ت و ك ل ا ل م กก ك ل ูนต่ออัลลอ์เท่านัน้บนบรรดาผู้ที่มอบหมายจงมอบหมายเธอต่ออ AH ัลล์ ให้มอบหมายมอบหมายนี่นในเรื่องตัวช่วยในเรื่องไม่ใช่มอบหมายในเรื่องดุนยาอย่างเดียวนะไม่มีริสกีเอามอบหมายเดี๋ยวเราจะให้ริสกีมาเออเรารักษามานานแล anno, ้วกินยาเยอะแล้วไม่เห็นหา ย, หายเรื่อมอบหมายเรื่องรักษานีนมอบหมายเดา๋ยวเราจะให้หายแน่นอนไม่ใช่แค่เรื่องนี้คนงคนนึ ก, กว่าเจ๋วแล้วนะมอบหมายในเรื่องการรักษามอบหมายในเรื่องเออในเรื่องกิจการของโลกน่ะขับรถเนี่ยมอบหมายขับนู่นทำนู่นมอบหมาย มีมีมอบหมายเรื่องเรื่องสวรรค์ด้วยทําละหมาดแล้วแล้วมันจะทําให้เราเข้าสวรรค์ไม่ทําแล้วก็มอบหมายนะครัว่ามอบหมายเนี่ยมันต้องสมเหตุสมผลไงมอบหมายนี่หมายถึงว่าละหมาดที่เราทําเนี่ยมันเป็นการละหมาดที่สมควรแก่การมอบหมายไม่ใช่ละหมาดแบบเลอะเทอะมันไม่น่าถวายอะ่ะ ละหมาดแล้วเนี่มันไม่น่าถวายเพราะสิ่งที่เราจะมอบหมายเนี่ยมันมีข้อตําหนิในตัวที่เราเองเนี่ยก่อนนี้จะมอบหมายเนี่ยพอจะรู้ได้ว่าละหมาดนีเป็น ไ, ไ, ไม่น่าจะรอดไม่น่าจะรอดคนละหมาดนี่ไม่สนใจมีน้ํนลาละหมาดอาบนั้นละหมาดถูกต้องไม่ถูกต้องชําระนจยซาถูกต้องไม่ถูกต้องไม่สนใจ เร็เวลาละหมาดเนี่ไม่สนใจละหมาดนี่อะไรที่เป็นรุกุ่นอะไรที่มันต้องทําอะไรที uh lagi, ่ม uh um, ันต nah ้องมีความนอบนอ้มีโคช่วยมันเนี่ยไม่สนใจละหมาดเ้ี่ยถือว่าละหมาดไปแล้วพ้นไปแล้วไม่ใช่อันนี้น่ะที่เราจะมอบหมายต่ออัลลอฮ์รวมถึงการงานอื่นๆด้วยที่เรามอบหมายแล้วก็เชื่อโอ้มันจะเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะให้อัลลอฮ์นี่ได้โปรดเมตตาเราเนี่โปรดเมตตาเราฝัุ่ลลอฮิอัลลอฮ์มัดีให้เราได้เข้าสวรรค์ สูงสุดของความเมตตาและก็ความโปรดปรานสูงสุดก็คือความโปรดปราณและความเมตตาที่ไม่มีอมะไรมาก่อกวนในโลกนี้อำมาเมตตาเรลลาไหมทำเมตตาแต่มีบางอย่างที่มันมาก่อกวนเป็นบททดสอ เลาเมตตาเราให้มีสุขภาพแข็งแรงแต่บางทีก็ป่วยไหมป่วยัานป่วยนี่มันจะมาก่อกวนสุขภาพที่แข็งแรงทำให้เราหงุดหงิดไม่พอใจผู้ศรัทธานี่ก็จะปรับผัวใจปรับลิ้น อ, ว, อวัยวะให้เกิดความพอใจในสิ่งที่อรรถกำหนดเป็นบททดสอบ ปกติเราเป็นนักกีฬาพอโหนี่ฟิวเลยเนเวลนเล่นบอลเนี่ยวิ่งนะบอลยังไม่ทันเราเลยเนี่ยวิ่งเร็วกว่าบอลอีกอะวันดีคืนดีนี่เนี่อนติดเตียงเออเออคนที่คนที่มีปัญญาจริงๆเนี่ยนะพิจารณาตัวเองนีิวันที่อัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ทอบให้ให้อยู่ในสภาพนี้เนี่ยจะได้รู้เนี่่ว่า ความโปรดปรานความเมตตาในโลกนี้นี่นะมันจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์มันจะมีสิ่งที่มาก่อกวนมาทดสอบเนี่ยจะได้ดูนะว่าปากนี่จะยังไงหชชัวใจนี่จะเป็นยังไงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ถึงแม้ว่าฉันโดนแบบนี้นี่นะถ้าพระองค์จะทดสอบข้าพเจ้าแค่ไหนนี่ข้าพเจ้านี่พอใจข้าพเจา้านี่ยินดีข้าพเจา้าอย่าขีบ้บ่น กป็นยังไงสบายดีไหมอ๋อไม่สบายเลยกูยแย่เงี่ยมาสามวันนี่กินอะไรก็ไม่ได้เยกะเหมือนฟ้องอะ่ะดเูเหมือนเหมือนเหมือนจะฟ้องนะดูสิอลัลลอฮทับฉันเองดูเหมือนจะฟ้องนะไม่ดีพอใจนี่หมายถึงว่ายินเดียอัลลและนี้อันนี้เตือนพวกเรานะ เวลาถูกทดสอบนี้อย่าวอยวายการวอยวายเนี่ยเป็นลักษณะของคนที่อิมันอิหม่าเขาไม่นิ่งหกลมอย่างเนี้ยวอยวายเสียงดังเล่นบอลเนี่ยโดนเตะขา่งเียเจ็บโอ้โหแล้วก็ดังเสียงดังแสดงความไม่พอใจหรือความเจ็บเนี่ยดังโอ้ไว้นะผู้ศรัทธาเนี่ยต้องนิ่งนิ่ง เพราะการนิ่งเนี่ยในเรื่องบททดสอบเนี่ยมันแสดงถึงความพอใจในสิ่งความเข้มแข็งในการรับบททดสอบทั้งหมดที่ทำไมทำไม่ในโลกนี้เราต้องเราต้องนิ่งน่งเนีเพราะผลลัพธ์ของมันนี่นะในสวรรค์นเนี่ยความโปรดปรานของล l l a h ความเมตตาของ a l a h นี่สวรรค์เข้าสวรรค์แล้ว เราจะสบายใจ 99% งมีอีกหนึ่งเเซ้มันมันี่มัมันี่ถูกถามว่าเมื่อรจะสบายใจเยกว่าถ้าเท้าแรกนี่นะเหยียบเข้าไปสวรร์ไปข้างนึงนั่นะสบายใจได้ล่ะแน่นอนเข้าเข้าสวรรค์นี่สบายใจแน่นอนแต่ก็ยังยังมีคืออยากได้คือ เข้าสวรรค์แล้วเนี่ยที่เราบอกว่าเข้าสวรรค์แล้วจะอยู่สวรรค์ตลอดกาลไอ้พวกไอ้เ่งนี้เนี่ยเราได้ข้อมูลมาจากไหนอะในโลกนี้ในดุนยานี้แต่เราเข้าสวรรค์นเนี่ยอีกเปอร์เซนนึงคือเราอยากได้ยืนยันอีกทีหนึ่งจากอัลลอฮ์นี่ตอนนี้เลยตอนนี้เลยหมายถึงว่าในสวรรค์เพราะไอ้ที่เรารู้ว่าเข้าสวรรค์แล้วไม่ออกแล้วเนี่ยอันนี้ในโลกในนี้ตอนนี้อยู่ในนี้เข้าสวรรค์ก็ตลอดกาล ถูกต้องไหมแล้วเรามีความรู้นี่หมดวันเคี่ยม่านี่เมมโมรี่ของเรานี่ก็เหมือนเดิมนีู่นะไอ้ความรู้ที่เราได้มาในโลกนี้ว่าเขาสวรรค์แล้วนี่ไม่ออกกันนะใช่แต่มันก็ยังขอให้อัลลอฮ์ยืนยันนี่ว่ามันยังยังยังยังยังมนุษย์จนกว่าอัลลอฮ์นี่จะปรากฏให้ชาวสวรรค์ทั้งหมดได้เห็นพระองค์เห็นพระพักของพระองค์ อัลลอฮฺจะถามชาวสวรรค์นะรบดีตุมพวกเจ้านี่พอใจเรี่องชาวสวรรค์นี่บอกว่าโอ้โหนี่เข้าวสวรรค์ก็แล้วได้สเสวยสุขในสวรรค์นี่ก็แล้วเราจะไม่พอใจได้ไงอัลลอฮฺบอกว่ายังยังมีพี่จะทําให้พวกเจ้านี่พอใจสนิทเลยอะไรอีกล่ะนหนยังก็ไม่รู้นะ่ะอะไรล่ะที่ทำให้เรานี่สนิทเลย หะิล <shared> ุ่มใหุ้มรดวานี่ง فلا ashatu ให้คุมอับดาข้าจะให้พระเจ้าบกว่าข้าจะให้ความพอพระทัยของข้าเนี่ยมาคุ้มครองพวกเจ้าทั้งหลายโดยจะไม่มีความโกรธกริ้วใดๆจากข้ามาอย่างพวกเจ้าอีกแล้วชาวสวรรค์นี่นะดู สบายใจเแสดงว่าความโปรดปรานความเมตตาในโลกนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกกันนะความโปรดบัานอัลลอฮฺให้มาให้ตังมาเยอะหนาให้ตังมาเยอะเลยอะความโปรดปรานนะแต่เราก็รู้เราก็รู้มีตังเยอะเนีม่ชีว่าดีใช่ไหมยุ่งนะมีตังเยอะ่ะยุคงต่อหนูเลยว่า เราจะใช้ตังค์เอนะใช้ตังค์ก็ต้องตังค์งมันต้องลับใช่มเอ ซ, อซื้อซื้อนี่อันนี้หนึ่งหมื่นอันนับหนึ่งหนึ่งสองสามเฮ้ยยุ่งยากเหลือเกินเขาก็พยายามพัฒนาประดิษฐ์จนยุคนี้เป็นแอปเลยสบายใช่ไหสบายลูกเข้าโรงพยาบาลตีหนึ่งพอจะมาโอนเงินในเข้านะ ขออภัยด้วยช่วงนี้ราคาดึอตกลงเขาอานวยความสะดวกไหมเนี่ยแล้วคนเราก็มีแอปเดียวนี่แหละมีแอปเดียวจะจะไปจะไปโอน่ะช่วงนั้นนั่นนะแล้วเขาเตือนมาแล้วเลยนะแต่เราจะเลือลูกจะป่วยหรือจะรถชนจ้าอะไรก็ตามมันมีหมายนักทะดีะรู้ยังไงอ่ะมามาในจังหวะนั้นนั่นเลยไม่ได้หมายร่วมว่า เรื่องดีๆในโลกนี้เนี่ยมันก็จะราบรื่นตลอดนะไม่ใช่มันก็จะมีเรื่องก่อกวนนี่แหละสวรรค์ น, นี่ไม่มีเรื่องก่อกวนนะครับไปกินชาบูน่สนุกเกินอ่ะสนุกกิ น, นกก้นมาแล้วกินแล้วอ่ะกินเสร็จแล้วน่กลับบ้านไปทำอะไรอ่ะขอะเขาห้องน้ำสิ กินแชมพูนี Vas ่มีห es. ้องน้ำตลอดแหละยิ่งยิ่งถ้ามี e ีฟู o ดมีอะไรนี่นะใช่ไหมสวรรคนี่ไม่มีนะสวไม่มีฉีไม่มีอึไม่มีเหื่อเหมื่อออกนี่เป็นเป็นกลิ่นหอมอ่ะคิดดูดิมันชีวิตชีวิตอะไรที่มันไม่มีความเดือดร้อนก่อกวนตามมาเลยคือความสุขเนี่ยล้นล้วนเลย ชีวิตแบบนี้เนี่ยชีวิตในตํานานน่ะที่เราจินตนาการแค่นหนนี่ก็ไม่ถึงความครบถ้วนสมบูรณ์ของมันน่ะนะควรที่จะเป็นมโนมโนภาพที่เราจะต้องโมเดล่ะที่เราจะต้องนึกถึงตลอดเจอความสุขอะไรในโลกนี้เนี่ยไม่เท่ากับสวรรค์หรอกเราจะได้ไม่หลงเจอความเดือดร้อนในโลกนี้เนี่ยโอ้ไม่เดือดร้อนเท่ากับนรกหรอกจะได้ไม่ต้องเสียใจมาก อะไรดีๆที่เราอยากได้จะไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวอิชอัลลอฮ์แต่เข้าสวรรค์นี่จะได้ปลอบใจสองอย่างเนี่ยมันจะทำให้ผู้ศรัทธานี่นะไม่ต้องเสียใจอะไรเลยแล้วไม่ต้องหวังอะไรคาดหวังอะไรสูงกับโลกดุญญน ь า น, นี้นี่ความหวังนี่คาดไว้นั้นความโปรดปรานและความเมตตาของอัลลอฮ์สะสมไปเถอะสซาบานี่เศรษฐีมหาเศรษฐีนี่ก็มีนะสะสมเงินนี่มีนะแต่การสะสมนี่นะ ตรงนี้เนี่ยมายถึงว่าสะสมอย่างเดียวเก็บไว้เนี่ยจะได้จะได้ติดสถิติของของวรสารฟอร์นจากนฟอร์รายชื ja ja ่อมหาเศรษฐีไงพวกเศรษีทุกคนเนี่ยเขาก็จะมีมีตัวเลขดิจิตอลนที่มันขึ้นเงินของเขาเนี่ยกี่หมื่นล้านกี่แสนล้านเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าเขาติดไหติดหรือไม่ติดแล้วพวกนี้เนี่ยเขาติดตามเนะ ไอาา้รถแมสเนี่ยอะไรเกิดขึ้นเคลื่อนไหวดัง่งการเมืองเรื่องอะไรอน่น ะ, ะหุ้นมันฮุบไปเท่าไรยม่มาเลยอีกวันนึงมาเลยมันขาดทุนไปเก้าหมืนล้านเลยคิดดูดิคนเราเนี่ยร้อยบาทนี่ยหายเนี่ก็แทบจะตายแล้ ว, ลวเลยไอนี่วันเลี่ยงนี่นะขาดทุนไปห้าหมื่นเก้าหมื่นล้านอยู่กันได้ไงสะสมแล้วเก็บ่นะ้ แต่ซฮามานีมาสิทีเนี่ยอับดุลรหมานีบ์นะอับดุลรหมานีบนะอู่งสินค้ามาจากเมืองชามเนี่ยเข้ามาดีนะอูเจ็ดร้อยตัวเทียบแล้วหนูเจ็ดร้อยตัวเย่างรถกระบะเจ็ด้อยคันอย่างเงี้ยบรรทุกสินค้าอย่างดีเลยมาจากเมืองชามจะมาขายที่ ม, ม า, าดีนะแต่นี่ไงจ้าได้ยินเสียง อูดน่ะเจ็ร้อตัวนี่เข้ามาดีน่าเนี่มันก็เสียงน่ะเสียงอูดมันเดินน่ะเจ็ดร้ตัวเนี่ยเดินเวลาเดียินมันอรถบรรทุกยี่สิบล้อนี่เวลาวิ่งนีเราก็ดิ่มดินกันนะอูดเจ็ดร้อตัวนี่ผู้ผู้ผู้ท่านเองไเชื่อไหมว่าอะไรเนี่ยคารวาลสินค้าจากเมืองชามของอับดุลราะมานีบเนาฟเข้ามาดีน่าท่านเองไเชื่อไหมว่าท่านอับด خبرتاه دعي انتن النبي صلى الله عليه وسلم حديث منذكر الإمام أحمد النص المستند ولا ما بمكان وجوه ب ل ح د ي ث موضوع بنحديث ضعيف جدا ا إ م ا م ابن حجر نيت ط ب ط ماي ننسى القول ا ل م س د د في الذب عن المستند و ق ا ل د نسمعه شيء ثاني تاني عجاب وجوه خبرتاه دعي انتن النبي صلى الله عليه وسلم فوره عبد الرحمن ب ن عوف جكا وسوان ในท่าคลานคานไม่ใช่ท่ายืนเดินธรรมดานะเข้าสวรรค์นี่แหละแน่นอนพราะอับดุาห์เราอยู่ในซอบะสิบท่านอัลมุบัชรุนบเบลเจนนะที่นบีการันตีว่าจะเข้าสวรรค์อยู่แล้วเพียงรู้มนานี่ข้อมูลใหม่นะรู้จากที่ไหนก็นว่าเข้าสวรรค์นี่ก็เข้านี่แหละจะเข้าแบบคานอัมาห์เราดิเกตเลยเข้าคานแบบนี้เพราะอะไรเพราะมัน พอกระมัคนเดียวในซาบาสิตท่านนี่นะที่รวยรวยสุดรวยที่สุดถึงขนาดที่ซาบาสนีเก็บอกว่าเก่งนะทารุณคาร์คข า, ายเก่งนะถ้ายกก้อนหินวรือยกเนี้ยต้องเจอตังค์ความที่เกนงนะ่ะคือหมายถึงว่าเอ๊ะอะไรก็ได้และกําไรละเกิงน่ะทารุณน่ะเก็ตเลยในวันจะเข้าสวรรค์นี่เพราะภาระทรัพย์สินเยอะแยะนี่มันเยอะ ถึงขนาที่ ข, า, ขานมันเป็นประมาณอะปากตุรกไม่ได้อเอาก็ยังไม่เชื่อมีคนมบบาบอกเขาไม่เชื่อจะวิ่งไปหาท่านยังไงซะถ้ายืนยันนะว่าท่ายยนนายพูดแล้วก็ยื น, น, นรรยั น, นวนา่าท่านน า, นารรยพูด أ َ ر ا و ب ع ا ش ه د و ا أ ن ن ي ق د ت ص د ق ت ب ه ذ ا ل <سؤال> ق ا ف ل ة ب ِ ح ا س ه ا و َ أ ق ت َ ا ب ِ ه ا ك ا ن ِ ي ب ا ل ْ ي ك ن ي أ ب ع ا ئ س َ د َ ق ا ن َ د َ ع ل ل َّ ه ِ ن م ا ن ا ا أ หนักน่วงตอนเข้าสวรรค์จะได้เข้าเร็วเดินเร็วๆ เ, เข้าสวรรค์เร็วๆไม่ชักชาสส้าสะสมอ่ะอเขาสะสมเงินนะแต่เงินมีนะไม่ได้เก็บไว้จะได้ใช้ตัวเองหรือใช้ในโลกนี้หรือให้ลูกหลานใช้ไม่ซาดิบนาะบิวก็กับเป็นนักธุรกิจเงินเยอะเหมือนกันทำไมเท่ากับธุรไนะไม่เอา แ่ป่วยหนักครั้งึกลจะตายแล้วเนี่ยก็นบีมาเยี่ยมพเพาะข้าพเจ้าอยากจะบริจาคเงินข้าพเจ้าทั้งหมดในหนตางกาลเหรอในอีก็เยอะไปทําบุญนะเยอะไป <Yeah. S 1> คนเราเนี่ยเวละคนทําบุญกังสล้วที่มีคนมาให้ตังค์ะันแล้วก็เรารู้เนี่ยว่าเขาเดือดร้อนกนะันนะรู้ว่าเดือดร้อนเนี่ย ไม่ไ ม, ไม่มีละมีแค่นี้ละเราก็ต้องมีน้ําใจไงเฮ้ยมึงก็ยืมสักพันหนึ่งเนี่ยในกระเป๋าในทรัพย์สินของฉันในบัญชีเนี่ยมีอยู่พันหนึ่งเออขอบคุณแล้วกันไม่ได้มันเสียมารยาทความเป็นเพื่อนความเป็นผู้ศรัทธาความเป็นคนมีมีความเมตตาเนี่ยไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรไ ม, มไม่เป็นไ ร, ไ เ, นไรเอเอแล้วอย่างนั้นขอแค่สองร้อยก็ได้นะ คือราต้องรูต้องมีน้ำใจด้วยที่คนมาบอกกับ น, นบีน่ยฉันยกในบริจาคทรัพย์สินทั้งหมดนี่นะในหุนด่างอัลลอฮ์กระหม่อมจึงว่าให้นบีนบีไปจัดการยังมาแต่นบีนบีก็น่าจะดีใจเยอะไหมเยอะไปเ อ, อ้งั้นสองในสามยกนนในหุนดัางอัลลอฮ์ไปแก็ยังเยอะอะครึ่งหนึ่งเยอะเยอะไปงั้นหนึ่ ง, งนนในสาม ยกในผลดัง <esteem S 2> อัลลอฮ์บอกว่าได้หนึ่งในสามเนี่ก็ได้แต่ก็ยังเยอะเหมือนกันแต่มีพูดหนึ่งในสามมีพอได้แต่ก็ยังเยอะนะอินนะกอินทด่าวรรต็คอัลกนียะ خير ะมิอันตเจ้าละมินอันตตรุกะหูฟ ق ر อ ء ายะกะสาฟูนะการที่เจ้าให้ทายาทของเจ้าซึ่งลูกของเจ้าเป็นผู้หญิงเหล่านั้นการที่เจ้าให้ทายาทลูกๆของเจ้านี่นะ มีความมั่งคั่งไม่ต้องแบมือขอชาวบ้านนี่นะดีกว่าที่จะทำให้เขาเนี่ยไม่มีอะไรเลยและท้ายเนี่ยก็ขอตรงไปแบกของคนจนขอขอเป็นมือแ่างขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านไม่ดีสะสมตังนี่นะให้เกิดประโยชน์กับทายาทเกิดประโยชน์กับตัวเราอันเป็นประโยชน์ในโลกหน้าเพราะการทำความดีกับทายาถือว่าเป็นการทาบุญ การที่ให้ทายามีความมั่นคงในชีวิตไม่ต้องไปแ บ, บมือเนี่ยก็ถือว่าเขาทคําดีไงการนี้เป็นนักสะสมนี่หมายถึงว่าสิ่งที่เราสะสมนี่ไม่เกิดประโยชน์เลยถึงผมบอกว่าใครที่ในบ้านเขานิ่มบ้านเรานี่ไม่ใช่บ้านเรานี่กับทั่วโลกนี่เฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันจะต้องมีชุดหนึ่งเป็นเป็นตู้เขเด็กตู้โชตู้สะสมอะไรพวกเนี้ย นี่อะไรอะ่ะเรียกว่าของไม่ใช่จะต้องเป็นของไม่ใช่ของมาจากปู่ย่าตา ย, ยายให้มาของสวยๆเก็บมาสะสมแล้วก็โชว์สนองใี้กัตู้โชว์โชว์ใครอะ่ะแล้วก่อนตายนี่นะอันเนี้ให้คนเนี้ยเนี้ยให้คนเนี้ยนี่ค น, น ไม่ใช่เอามาใช้มาเลี้ยงสรือว่าทำบนที่บ้านเนี่ยมาเลี้ยงเอามาใช้เนี่ยให้คนเออมีใช้แปดเนี่ยแล้วก็เวลาคนมากินบุญน่ยนะเอเลี้ยงชาวบ้านเน่นะเอาแบบท้วยจานที่มันไม่สวยอ่ะของเก่าเาเนี่ยมามาใช้ทำไมอ่ะพูดอยู่มันแตกของสะสมที่ไม่ใช้นี่แหละนี่หมายึงตรงนี้ แต่ซื้อรถมาเนะี่ยรถรถเนี่ยไปไปช่วยคนเนื่อรถไปไปแล้วมารถไปพาไปไปไปหาหมอเนี่ยของนิสสมนีแต่ช้าใช้ในเรื่องที่ดีที่มีผลลบอย่นี้นได้อันนี้จะได้ปรับความเข้าใจนะมาอยู่ว่าเออซื้อรถก็ไม่ได้ซื้อมือถืออะไรก็ได้แต่ให้ทําในสิ่งที่มันเกิดประโยชน์กับเราปัจจุบันและบรรพย์ได้นิสะสมได้มือถือเกบไปแล้วซื้อมือถือมาได้ถ้ามันเกิดประโยชน์นะทำมันดีนะได้อย่างนี้เป็นต้น สะสมสะสมกะเป๋าสะสมรงเท้าคือมีตู้จะสมเสื้อผ้านี่มันก็แย่แล้วนะน บ, บีนี่มีเสื้อผ้านี่อยู่ชุดเดียวชุดเดียวในบ้านน บ, บีนี่อันนี้เรียกบ้านเป็นเป็ น, ปนแค่เป็นนามาทํานะเพราะมันไม่ได้เป็นบ้านก็ห้องนะห้องนบีนะ ไม่มีตู้เสื้อผ้านะห้องนบ้าไม่มีตู้เสื้อผ้านะไม่มีตู้ไม่มีตู้ถ้วจานนะไม่มีแต่ถ้ามีละ่ะมีเนี่ยให้ใช้ให้ชใหช้มีเสื้อผ้าเยอะนะได้แต่ให้ใช้แล้วจะบริจาคนี่ก็อย่ารอ ให้มันเก่าให้มันขาดแล้วก็ไว้บริจาคนะไมให้มีบ้างนะเสื้อใหม่ที่ซื้อมาจะได้ใส่นะซื้อมาใหม่เลยนะจะได้ใส่นนะก่อนที่จะใส่เนี่ยให้เปลี่ยนใจแล้ไปบริจาคเสื้อใหม่หมบ้างบ้างนะได้อันนั้นมันมันจะสร้างความสมดุลในชีวิตตัวเอ้เรานี่ไม่ดีใจได้นะ บริจาคแต่อาหารที่บูดแล้วอาหารที่มันใกล้จะบูดแล้วอะไรเสื้อผ้าที่มันขาดแล้วอะไรบริจาคบางทีในยี่สิบาทในมีอยู่สองใบอันหนึ่งขาดแล้วอันหนึ่งใหม่ๆนี่เอาเก็บอันใหม่นี่เอาขาดนี่บริจาคบางทีในสันดานแบบนี้นี่มันก็แย่มันเงินเวลาทําบุญเนี่ยเอาเรื่องที่มันแย่ๆของที่มันแย่ๆนี่ยไปบริจาคนี่มันแย่จริงๆอะ เพราะสิ่งที่เราได้บริจาคไปนั่นนะคือสิ่งที่สะสมจริงๆในธนาคารอรัลลอฮ์นี่นะคือสิ่งที่เราจะเก็บไว้จริงๆรอบไปเถอะวันเกียร์มาเนี่จะไปเจออะไรเจอจากของบูทเจอจากเสื้อผ้าขาดขาดที่เราบริจาคไปใช่ไหมหรือเราอยากได้สิ่งดีๆที่เราได้ทําบุญไปอ่ะแล้วเราจะตอบรับและเพิ่มพูนอย่างทวีคูณของสะสมน่ะที่แท้จริง ครับฝากไว้กับพี่น้องพียงเท่นี้นะครับมีคำถามไหมรัอีบารัเนี่ยคือคอามคือรูปแบที่เราพอใจไม่ว่าจะเป็นรื่องอการกระทอีบารที่เป็นรูปแบบเช็นเราทาอย่างเนี้ยมันคัดว่าเราเหนียอย่างไรแต่ผมอยากขอควารู้จากมากอนีบารที่ก็เป็นรูปแบบเช่นเราทางานอย่างเนี้ย เรทัาตอว่าันไหนให้งานเป็นมีวาัของรทมันทีหอ้เจตนาตะกี้เนี่ยคำนิยามเนี่ยองไอ้บุเมียไอ้บารัทุกการงานและคำพูดเชื่อว่าพอพระไทยทั้งภายในและภายนอกอัลบาตึ้นในหัวอทั้งภายในและภายนอกถ้าภายนอกและภายในนี่มันเป็นรูปแบบหอยบาดาอย่างเช่นละมาต ฉะนั้นทั้งภายและภายนอกเนี่ยเราต้องเจตนาไปทางอิบดะดาและก็ปฏิบัติไปตามคุณลักษณะของอิบดะดาที่ศาสนากําหนดไว้แต่ถ้ารูปแบบภายนอกมันไม่ได้เป็นอิบดะดาทางา น, เ, นเล่นบอลหนึ่งเนี้ยอิบดะดาตรงไหนวะถูกไ ม, มันจะเหลือภายในก็คือเจตนาเจตนาให้การเล่นบอลเจตนาให้การทํางานเนี่ยเป็นอิบดะดายังไงคือเจตนาให้ สิ่งที่เราได้ทำเนี่ยบัานปลายของมันนี่นะมีความชอบทางศาสนาเราไปทางานนะ่ะถ้าขาดงานนี่นะเขาก็จะหากเงินเดือนใช่ไหมแสดงว่าเราไปทำงานจะได้มีเงินเดือนจะได้มีไรายได้ครบถ้วนเงินเดือนเนี่ยเราจะเอามาทำอะไรเราจะเอามาเลี้ยงลูกเอามาเลี้ยงหลานเอามาเอามาดูแลพ่อแม่เอามา ดูแลตัวเองเอามารักษาพยาบาลเอามาแล้วเนี่ยถือว่าเป็นไอบาได้ไหมการดูเป็นสิ่งที่มีความชอบไหมการดูแลส่งเสียครอบครัวความรับผิดชอบเนี่ยเป็นสิ่งที่ชอบอยู่แล้วมีคําสอนอยู่แล้วถ้าเราเจตนาแบบเนี้ยไอที่เราไปกันทุกวันไปทํางานทุกวันแบบเนี้ยเราต้องการที่จะมีะไรายได้ไรายได้จะได้มาหล่อเลี้ยงแสดงว่าทุกชั่วโมงทุกวินาทีที่เราไปทํางานนี่นะ Allah ห all ว ah. ังว so, ่า Allah เนี่ยจะนับเป็นกาอิบาตะที่เขาเป็นการทําอิบาตะวิลามานี่บอกว่า jihad ที่ Allah ได้สันเสริญนี่คืออะไรอ่ะการต่อสู้การสู้รบเนี่ยแล้วใครบอกเราว่ากระบวนการ j ิ h า d นี่มีแค่นี้นบีเนี่ยยกทัพเนี่ยไปสู้รบเนี่ยมีคนเขาก็ทําำปรเนียเอกนะเกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆที่ไปกับกองทัพของท่านนบีมีหน่วย เกี่ยวกับอาหารน่ะพอคั่วอย่างนี้แล้วเวลาเขากินตัวหน่งไปที่หนึ่งหมื่นคนหนึ่งนินหมื่นคนเนี่ยเขากินอูดเป็นตัวนะแพะเป็นสิบสิบตัวใช่ไหมสแสดงว่ามันต้องมีฝูงสัตว์ที่เขาพาไปด้วยเนี่ยไปไปทําสงครามนี่มีเสบียงด้วยใช่ไหมแล้วก็ต้องมีเจ้าหน้าที่นี่เลี้ยงแพะอาจจะไม่ใช่นักลบก็ได้เลี้ยงแพะอแต่เลี้ยงแพะที่จะไปไปทํากับข้าวให้มูเจริญดีเน่ะตกลงคนที่ไปเลี้ยงแพ้นี่นอกกรอบย i h a d หรื อยู่อยูอยู่ในกองทัพนะมีหน่วยหนึ่งเนี่ยเฉพาะเลยนะฮะรับดาบรับดาบรับธนูเฉพาะเลยเรื่องนี้ซึ่งไ ม, ไม่ไม่มีใครพูดถึงอนะไม่มีทางหลังส า, าบ้านที่จะไปนี่แบบว่าใช้ดาบสาบ้าที่ไปรบกันแล้วก็ไปรบกันแล้วก็พิชิตโลกทั้งหมดเนี่ยใช้ดาบคือเือย่างนั้นเลยอะใช้ธนูที่มันยิงแล้วแนละ้วมันไม่ทะลุอะ เป็นเป็นไม่ได้เขาใช้อาวุธที่มีคุณภาพเพราะเขาดูแลเร่องนี้เหมือนกันแล้วคนนี้มาดูแลเร่องนี้เนี่ยตรงันเขาไม่เกี่ยวกับกิจฮนะหรอเพราะเขาไม่ได้ไปอยู่แนวแวหน้ า, นาไปสู้รบบางพวกไม่ได้เสียชีวิตในหนางทําไม่กิจฮะเมือกันเน่ะคนที่ไปทํากับข้าวกิจฮะคนที่ไปรับดาบให้ซาบะก็กิจฮะเหมือกั น, นะ น, น, ก น, กนทั้งหมดนี่กิจาะถึงแม้ว่าไม่ได้อยู่ในรูปแบบรูปแบบของอิบาดะ ที่ส่วนมากเนี่ยเราจะมโนกันมโนกันเอายอะเนี่ยอ๋อก็ต้องก็ต้องคนที่นี่เนี่ยอย่างหมาสเก็ต้องคนที่ใครบอกล่ะเป็นเป็นนักข่าวจะไม่เรียกว่าเป็นมุจายดีนด้วยล่ะเต้นนี่เป็นคนที่สู้รบอีกแขนงหนึ่งอีกอีกมิตินึงอีกรูปแบบหนึ่งของการต่อสู้คนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ผลิตปรมาณูผลิตนิวเคลียร์ให้มุจายดีนถ้ามีนะ จะเป็นนกรบไหมอยู่ในแล a p อยู่ในอยู่ในห้องวุทยาศาสตร์ยอย่างเงี้ยไม่ได้ไปสู้รบอยู่ในแนวหน้าเป็นมุจลีเป็นสินเห็นไหมคือไม่ต้องยึด ต, ติดในภาพคลาสสิกของไอบาด้าบางชนิดเล่นบอลอย่างเงี้ยแน่นอนถ้าเล่นบอลเ น, นี่จะเอาชนะอย่างเดียวจะสนุกอย่างเดียวนี่ไม่ไดผลลบุญแต่เจตนาเล่นบอลเนี่ยเออจะได้เราผ่อนคลายบ้างภายหลังจะได้มี กำลังใจทใําไมบาดาดาว่าทางานศาสนาค่อนคลาบ้างเราจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงจะได้ทําไมบาดาต่อไปออกกําลังกายจะได้เพราะศาสนาส่งเสริมให้มุสลิมนี่แข็งแรงอีกทั้งหมดเนี่ยเจตนาเปลี่ยนรูปแบบคลาสิกของการงานบางอย่างที่ไม่ใช่บาดาเนี่ยให้มันกลายเป็นไาบาดาที่มีที่มีความชอบตามหลักศาสนานะครับสรุปแล้วอยู่ที่เจตนานะ呐 โอเคถ้าไม่มีนะครับก็ขอวิดทเพียงแค่นี้นะครับ سبحانك اللهم وبحمدك شادو الله إله ا ل ت س إ ل ي و ص ل الله على نبينا محمد وعلى آله ص ح ب ه ل ل ا ع ك م ورحمة الله